จะบอกถึงความก้าวหน้าในการบอกสอนและเผยแผ่พุทธพจนะไปตอนนี้ก็ได้ความก้าวหน้าไปมากได้สร้างความเข้าใจให้กับคนหมู่มากขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็พยายามทำข้อมูลนะที่เก่าที่สุดในโลกเนี่ยเข้าไปสู่เทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในโลกนะได้สำเร็จเรียบร้อยนะ ก็ใช้หลักการเดียวกับที่ครั้งพระเจ้าโศกมหาราชส่งสมณทูตไปก้าวสายกระจายไปทั่วโลกนะซึ่งเผยแผ่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเสาหินโศกที่ใครนั่งใกล้ๆอาจจะได้เห็นนะภาพเสาหินโศกนะ <c oughs> นี่เป็นอักสรนพรามีภาษาประจิตที่ เป็นต้นกำเนิดของภาษาอินเดียในปัจจุบันนะพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยมีความศรัทธาในคําสอนของพระศาสดานะก็ได้บันทึกลงในเสาหินแล้วก็ได้กระจายข้อมูลนี้ไปทั่วโลกที่หนึก็มาในสุวรรณภูมินะในสุวรรณภูมิของเราก็ถูกบันทึกลงในก้อนศิลาบ้างใบลานบ้างนะอย่างที่เจอที่ลบบุรีนั่นะนี่จะเป็นก้อนศิลา อักษปรปาระวะนะภาษาบาลนะีเนื้อหาก็จะเป็นเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทสลายจตนะปัจยาผัสโศะมีสลายจตนะคืออายนะภายนอกภายในเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุจึงมีผัสสะสัมผัสขึ้นมานะอันนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทคือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายนะและลำดับลำดับเหตุของการดับไปแห่งความตายนะที่เพชรบูรณ์ก็จะเจอใน หินแกะสลักเหมือนกันนะอักษรปาราวะเหมือนกันภาษาบาลีนี่พุทธศตรวรรษที่12ถึง14นะของเราก็มีหลักฐานข้อมูลพันกว่าปีเหมือนกันที่สาวินโศกนั่นสองพันกว่าปีพระเจ้าโศกอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพานนะก็มีการสืบทอดมาเรื่อยๆจนถึงราชกาลที่หนะึ่งะก็จารึกลงในใบลานด้วยกษรของนะ ช่วงนั้นถูกพม่าเผาข้อมูลไปก็เลยต้องไปขอพระตะบิดกจากประเทศลาวบ้างประเทศข้างเคียงบ้างแล้วม า, าจารึกลงใหม่แน็กซรอขอมนะลงในใบลานเก็บไว้ที่หอมุนเทียนธรรมที่วัดพระแก้วน ะ, ะราชการที่หนึ่งเนี่ยควบคุมนะแล้วไปดูแลด้วยพระองค์เองพระองค์นิมนต์พระทั่วประเทศมาเนี่ยร้อยกว่าลูกนะเพื่อให้ช่วย จานลงในใบลานด้วยอักษรขอมนะจากพระตาบิดกที่หยิบยืมมาจากประเทศข้างเคียงพนะระองค์ไปถวายอาหารเช้าถวายน้ำปานะในตอนเย็นตลอดหเดือนติดต่อกันเพื่อทำตรงนี้ให้เสร็จนะจึงเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดในประเทศไทยด้านพุทธศาสนา <c oughs> และรัชกาลที่หามาต่อ ย, ยอดด้วยการแปลเป็นอักษรสยามนะ และทํามาเป็นบาลีสยมรัฐมีหนังสือไหมบาลีสยามรัมนนม า, รารนี่คือบาลีสยามรัฐนะที่ขึ้นจอให้ดูถ้าข้างหลังใครมีบาลีสยามรัฐเอามาหน่อยเนอ ะ, นะเอานังสือต่างๆมาด้วยบาลีสยามรัฐสี่สิบห้าเล่มเป็นการพิมพ์พระไตบิดกครั้งแรกในโลกนะ ที่เป็นรูปแบบหนังสือนะแต่เดิมเป็นใบลานบ้างแกะลงในเสาหินบ้างก้อนหินบ้างนะอันนี้เป็นรูปแบบหนังสือซึ่งรัชกาลที่ห้าบอกว่ามันพิมพ์ได้ทีคราวละมักกมากนะแล้วก็ราคาถูกกว่านี่คือเทคโนโลยีในยุคนั้นนะจากนั้นมาล่าสุดเนี่ยนะก็มาทำเป็นรัชกาลที่เก้ามาทาเป็นซีดีมีซีดีตัวอย่างไหม เรามาทำทั้งหมดเนี่ยบรรจุลงในซีดีนะข้อมูล45เล่มของบาลีสยามลัฐนะบรรจุลงในซีดีแผ่นเดียวนะนี่คือซีดีแผ่นนี้นะเอาซีดีมาด้วยเอาซีดีเอาหนังสือทั้งหมดมานะอันนี้คือบาลีสยามรัฐเป็นภาษาบาลีทั้งหมดนะ <c oughs> ในสมัยรชัชกาลที่ห้าเนี่ยทำเสร็จแค่ส9สิบเกเล่มและมาเสร็จในรชัชกาลที่เจ็ดสี่สิบห้าเล่มนะแล้วจากนั้นเนี่ยทยอยนะทำมาเป็นอักษรไทยธรรมดาเนี่ยเสร็จปีพศสองพนะแต่เป็นแปดสิบเล่มทำกลับไปเป็นสี่สิบห้าเล่มเท่ากับของเดิมเสร็จปีสองห้าหนึ่งสี่นะนั่นนี่คือข้อมูลที่เราใช้อยู่ นั้นณปัจจุบันรัชกาลที่9เก็บไว้ด้วยซีดีแผ่นนี้น ะ, นะมีบาลีสยามรัฐ45เล่มภาษาบาลีและภาษาไทย45เล่มน ะ, นะวันนี้อจตมาทำต่อยอดขึ้นไปอีกนะก็เข้าไปใน iPhone iPod iPad นะอ่าระบบของ Android ทั้งหมดนะ Samsung, iMobile, STC, w e l c ว m e อ o t o r o l a นะทุกยี่ห้อนะที่ใช้ระบบของ Android นะแล้วก็ใช้ระบบของ Apple นะจะสามารถโหลดข้อมูลนะบาลีสามลัดข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกที่สืบทอดมาจากเซาวินาโซะนะได้ทั้งหมดทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยและสามารถสแกนค้นหาตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาวินาทีเดียวนะ พอดีเรามีพระที่เข้ามาบวชแล้วจบเอกด้านการเขียนโปรแกรมและช่วยเขียนโปรแกรมตรงนี้ให้นั้นระยะเวลาหนึ่งปีที่โยมมาเมื่อปีที่แล้วตอนนี้พัฒนาไปถึงตรงนี้แล้วนะทำให้ระบบตรวจสอบนี้ถูกต้องชัดเจนขึ้นนั่นคือเราใช้หลักการที่พระศาสดาจัดไว้ในเรื่องของมหาประเทศสี่หลักการตรวจสอบว่าอะไรคือคำพระศาสดา ห, นะหลักมหาประเทศสี่เนี่ยพระตถาคตจัดว่าถ้าภิกษุ หรือใครเนี่ยพูดธรรมะขึ้นมาแล้วเนี่ยเธออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านเอามาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของพระตถาคตสกกรถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ให้สันนิษฐานเถิดว่านั่นคือคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เธอรับเอาไว้แต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ให้เธอสันนิษฐานเลยว่านั่นไม่ใช่คําของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนภิกษุรูปนั้นเนี่ยจำมาผิดนะให้เธอละทิ้งคําพูดนั้นเสีย นั้นในประเทศไทยทุกวันนี้มีศาสนาพุทธหลายสายมากนะเวลายอมนั่งคุยธรรมะกันต้องถามเธอสายไหนชั้นสายนี้เธอสายนี้จริงๆศาสนาพุทธมีสายไม่ได้นะเพราะว่าธรรมวินัยมาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันและพระศาสดาบอกว่าคาของพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันนะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่พระทุกวันนี้ไม่ทราบนะก็เลยยึดถือแต่หมู่คณะของตนเองนะทให้ กลายเป็นกกเป็นเหล่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสายต่างๆอย่างนี้นะก็เลย <c oughs> พยายามจะสร้างระบบตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องนะข้อมูลตรงนี้ก็ค่อยๆแพร่หลายไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็สามารถเข้าไปได้ถึงรัฐสภานะเจ้าหน้าที่ของสำนักนายยกทั้งหมดร้อยกว่าคนเนี่ยมาที่วัดนะ มาฟังธรรมะเรื่องพุทธวจนะนะนี่คือผ อ, อนะสำนักนายกนะแล้วก็พาลูกน้องมาร้อยกว่าคนนั้นเราได้ให้ข้อมูลตรงนี้ไปทั้งหมดอัตมาอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศคือเปลี่ยนตั้งแต่กระทรวงศึกษาสำนักพุทธนะเพราะสามารถจะทำความถูกต้องได้ทั่วประเทศพร้อมกันทีเดียวนะแล้วพระที่ไม่มีตาราที่เป็นพุทธวจนะศึกษาจะได้ศึกษาคาของศา ส, สาตัวเอง อาตมาก็บอกเข้าว่าในประเทศไทยไม่มีหนังสืออย่างนี้พุทธวจนะนะโยงไปหาได้ในหนังสือแผงหนังสือทั่วประเทศไทยไม่มีหนังสือที่เป็นคําศตสดาตัวเองออกขายหรือออกจําออกแจกหรือจําหน่ายนะไม่มีอยู่ในระบบการขายหรือการแจกเลยเมืองพุทธแต่ไม่มีคําศตสดาตัวเองนะเพราะฉะนั้นตาราของอาตมาทั้งหมดก็คือคำสัตยสดา อาจารย์คึกฤทธิ์เขียนตำราเองไม่ได้เพราะเราเป็นเพียงแค่สาวกห้ามบัญญัติอะไรใหม่เพราะพระศาสดาบอกแล้วว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิกถอนพระพูดอะไรใหม่ไม่ได้ต้องพูดตามศาสดาตัวเองนะ <c oughs> จากการที่คุยกันนะที่วัดที่เข้ามา ก็เลยได้ความเข้าใจในหมู่ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็เลยนิมนต์อาตมาไปบรรยายที่ทำเนียบนะก็เลยได้เข้าไปบรรยายให้กับผู้บริหารนะฝ่ายการเมืองด้วยนะนี่ก็เมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะของเดือนที่แล้วก็ได้ไปบรรยายที่ทำเนียบรัฐบาลและผู้บ ร, ริหารก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากพอสมควรนะจากเดิมที่ไม่เข้าใจเลยได้เข้าใจณนะวันนี้ก็เลยอยากให้มีการบรรยายต่อเนี่ยทุกเดือน นะอาตมาก็จะไปบรรยายที่นี่ทุกเดือนลงรายละเอียดไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ออก็เลยคิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศไดนะ้ก็คือใช้ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนี่แหละที่ประเทศไทยถืออยู่คือบาลีสยามรัฐนะคือตัวนี้ที่ท่าราชการที่5เนี่ยไม่ขอให้พระ ทั่วประเทศที่ทำเหมือนรชัชกาลที่หนึ่งเหมือนกันขอประชุมพระทั่วประเทศเพื่อช่วยกันแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามเราจะไม่สามารถรู้เรื่องพุทธศาสนาเลยณนะวันนี้ตอนนี้ทุกสํานักในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นมหามงกุฎราชวิทยาลัยนะในตู้นี้อย่างนี้91เล่มนะหรือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสี้าเล่มตรงนี้ล้วนใช้จากบาลีสยามรัฐทั้งสิ้นที่รชัชกาลที่ห้าเอาไว้ นั้นข้อมูลที่บรรจุลงใน iPhone, iPod, iPad พวกนี้คือข้อมูลจากบาลีสยามรัฐเก่าที่สุดนะนั้นณนะวันนี้โยมมีคำสอนของพระศาสดาทั้งชีวิตที่พระศาสดาตัดสอนเอาไว้อยู่ในมือของพวกเราแล้วนะและมีโปรแกรมในการสืบค้นเรียบร้อยนะนั้นถ้าโยมสงสัยเรื่องอะไรโยมก็เข้าไปทีย์คำที่สงสัยนะเช่นว่า โยมอยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โยมก็คียคำเข้าไปนะคีคำว่าอะไรตอบแทนน ะ, อะตอบแทนนะแล้วก็เว้นวัดแล้วก็บุญคุณนะอ่าไ่้งก็ได้อ่า ตอบแทนแล้วก็อาบิดามันดาก็ได้ทันมกักพิมพ์เสร็จแล้วนะพิมพ์เร็วอ่แล้วก็กดค้นหาอันนี้เร็ววินาทีเดียวพระสูตรขึ้นมาแล้วแล้วก็ดึงพระสูตรขึ้นมานะอืมก็ตรัสไว้กับภิกษุว่า เล่ากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองคือใครมารดาบิดาดูก่อนพิสูจน์ถึงหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบาข้างหนึ่งประคับประคองบิดาด้วยบาข้างหนึ่งเขามีอายุตลอดทั้งร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติต่ตอท่านทั้งสองด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจลลาปัสวะบนบาทั้งสองของเขานั่นแหละ การกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทําแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยขนาดแบกพ่อแม่บนบ่าสองข้างป้อนข้าวป้อนน้ําอุจจาะปัสสาวะรถยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนเลยนะเพราะว่าบิดามารดาเนี่ยมีอุปการะมากแก่บุตรอันหนึง่งบุตรพึงสถาปนาบิดามารดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราที่ปัตดในแผ่นดินใหญ่อันมีลัตนะเจประการมากมายมากหลายอย่างนี้กระทํากิจอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทมแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบํารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัท ธ, ธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทาใครชักชวนมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาได้นะชักชวนมารดาบิดานะผู้มทธุศนเนี่ยให้ตั้งมั่นในศีล ผู้มีความตรนีให้มีจารคัสสัมปทาผู้ปัญญาสามให้มีปัญญานะคือเห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงอันนั้นเรียกว่าการกระทําอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานะนี่คือการตอบแทนมารดาบิดาอย่างถูกต้องที่อรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นะ <c oughs> นั้นเราสามารถหาได้ทุกเรื่องนะ เพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูตอบไว้หมดแล้วทุกเรื่องเรื่องในจักรวาล น, นี้ก็บอกไว้นะจักรวาลกว้างไกลขนาดไหนแบ่งเป็นกี่ระดับมีที่สุดหรือไม่อย่างนี้นะโลหิตตาเทว บ, บุตรเหาะไปด้วยลิต์ตลอดทั้งร้อยปียังหาที่สุดขอบของจักรวาลไม่ได้พระุทธเจ้าบอกหาประมาณไม่ได้จักรวาล น, นะ <c oughs> ถ้าโยมผู้หญิงต้องการสวยรวยสูงสักเอาหมดเลยนะอ่า <c oughs> ตระกูลสูงด้วยนะ รวยด้วยนะรูปงามด้วยโยมก็ลองคีย์คาว่ารูปงามสูงสักแล้วก็ทรัพยนะ์มีทรัพย์เยอะๆหน่อยนะกดค้นหาก็ออกมาแล้วสองพระสูตรเราลองดูว่าสองพระสูตรนี้มีรายละเอียดอย่างไรจัดกับพระนางมาริการนะ์พระนางมาริกาก็ถามพระเจ้าเนี่ยอยากสวยรวยสูงสักอยากจะทํำยังไงนะพระพุทธเจ้าตอบยังไง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 และถ้ามาดุวความนั้นจุติจากรอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีพกสมบัติมากและสูงสัดนะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุปัจจัยนะของการสวยรวยและสูงสัดนะนิยมอยากจะหาข้อมูลอะไรในนิยมหาได้หมดเลยนะสแกนแป๊บเดียวและสามารถตรวจสอบบาลีในหน้าเดียวกันได้ด้วยนะ เช่นว่า <c oughs> ยัางแต่ก่อนเรื่องของอะไรดีนะยมสงสัยเรื่องอะไรจะเทียบบาลีให้เคยได้ยินอ ร, ร, อ ร, รลูประชานมอลูประชานลูประชานเคยใช่ไหมอลองดูลูอลูประชานอลูประชานเนี่ยที่พระศึกษาแล้วก็สอนพวกเรากันอยู่เนี่ยปรากฏว่าพอตรวจสอบดูแล้วเนี่ยพระศาสดาไม่เคยพูดเลยทั้งชีวิตนะ โยมยังไม่ต้องรู้ข้อมูลบาลีอะไรเลยก็ได้แค่คีย์คานี้เข้าไปนะพระสูตรจะออกมาคาว่าอรูปฌานที่เป็นพุทธพจนะเนี่ยจะมีคำเดียวนะจะมีพระสูตรเดียวในพระสูตรนี้วิธีในการเทียบเคียงคือดูคาหน้าคำหลังนะของคำว่าอรูปฌานตรวจสอบจากเล่มข้อหน้าเดียวกันบรรทัดเดียวกันอรูปฌานเนี่ยจะมีคำที่เป็นอัตถกถาคือคาแต่งใหม่เยอะแต่คาที่เป็น คำจากพระศาสดาเนี่ยจะเหลือพระสูตรเดียวเมื่อเราแยกออกไปแล้วลองไปขยายดูนะคําว่าอรูปฌานเราดูว่าคํานี้เป็นคําพระศาสดาหรือไม่ลากขึ้นไปชนคําว่าดูก่อนอนนล์นะลักษณะนี้จะอยู่ในวลีคําพูดพระพุทธเจ้าคําพูดพุทธเจ้าจะอยู่ในวลีคําพูดว่าดูก่อนพิสูงหลายดูก่อนอนนล์ดูก่อนสารีบุตรอย่างนี้เป็นต้นนะหน้าอรูปฌาน มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณข้างหลังโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคลองไปดูบาลีนะปรากฏว่าบาลีมีเวทนากตังสัญญากตังสังขารกระตังวิญญาณกตังตรงข้างหลังไม่เที่ยงคืออนิจจโตเป็นทุกข์ทุกขโตเป็นโรคโรคะโตแต่ตรงกลางไม่ใช่อรูปฌานเป็นคําว่าเตธรรมเมและนั่งไล่ดูทุกบรรทัดก็ไม่มีคําว่าอรูปฌานเลยแม้แต่คําเดียวนะ นี่เป็นวิธีเช็คง่ายๆโดยที่โยมยังไม่ต้องรู้บาลีอะไรมากก็ได้นะแสดงว่าคําว่าอารูปฌานถูกแต่งใหม่ขึ้นมาเราก็เช็คตรวจสอบไปว่าตกลงแล้วพระาศาสดาเนี่ยใช้คําพูดว่าอะไรพระองค์ใช้คําพูดว่าอารูปปัญญานะไม่ใช่อรูปฌานนะรูปฌานก็ใช้คําว่ารูปปัณณานะตอนี้มันจะมีข้อมูลที่นะคาดเคลื่อนอีกเยอะแยะอันนี้คือระดับของสมาธิทั้งหมด นยมเคยได้ยินคําว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิไหมเคยได้ยินใช่มอ่าลองคีย์คำนี้ให้ดูนพระสอนสามคำนี้กันมากยงคีย์ ค, คาว่าคณิกาสมาธิเข้าไปกดค้นหาไม่พบคําว่าคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิละ่ะกดค้นหา ไม่พบคำว่าอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิล่ ะ, ะไม่พบคำว่าอัปนาสมาธินะนั้นพระสอนในสิ่งที่ศาสดาไม่เคยบัญญัติเลยทั้งชีวิตนี่คือความจริงในปัจจุบันนะอ่าก็เลยอยากจะให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงนี้พอสมควรแต่เนื่องจากตำราเรามีไม่มากนะ ล้าก็เลยไม่มีโอกาสได้ศึกษาจริงๆข้อมูลทั้งหมดมีอยู่แต่เราไม่ได้ทำข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยออกเผยแผ่นะรัฐบาลมีงบส่วนหนึ่งต้องสองพันล้านนะบอกว่าเอาไปบำรุงศาสนาถามว่าเอาไปทำอะไรบอกเอาไปซ่อมวัดนะแล้วซ่อมวัดอย่างวัดแถวๆนี้เอาไปทำอะไรยกโบสถ์ให้สูงแล้วเอาคนไปรอดออื <c oughs> <c oughs> นะ พระศาสดาไม่เคยสอนเลยเรื่องรอดโบสนะจะแก้กรรมได้หรืออะไรเห็นนะเอาไปทําคนละทิศคนละทางไปหมดเลยเยมวิธีแก้กรรมวิธีเดียวที่ศาสดาบัญญัติไว้คือมัสมีองค์8พระองค์บอกว่าอริยะอัตถังคิกมัคนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธขาม่นีปฏิปทาปฏิปทาถึงความสิ้นกรรมโยมจะแก้กรรมสิ้นกรรมดับกรรมได้นั้นวิธีเดียวคือมัสมีองค์8ศาสดาไม่เคยบอกวิธีอื่นเลย ไม่มีการนอนในโรงเดินลอดโบทผ้าขาวคุมชยันโตน้ำลดตัวนะอสะดาะข้อเสกเปล่าไม่มีเยอมอันนั้นคำสอนของลทัทธิอื่นนะเรากำลังแยกความจริงนะสิ่งที่ถูกต้องที่ศาสดาบัญญัติกับสิ่งที่ศาสดาไม่เคยบัญญัติเลยออกออกจากกันก่อนนะนั้นชื่อสมาธิเนี่ยพระเจ้าตัดไว้เก้าระดับสามสามอย่างที่เราเคยทราบก็ต้องละทิ้งไปก่อนอย่างนี้นะ ระพจตัดปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุจฌานอาการสารนัญจา ย, ยตนะวิญญาณัญจา ย, ยตนะอากินจัญญาญ ย, ยตนะเนวสัญญาณสัญญาญยตนะสัญญาเวทิตนโิโรธเกาคำไม่เคยพูดผิดไปจากเก้าคำนี้นะ <c oughs> อาตมาก็ให้เขาดูข้อมูลเหล่านี้แหละนะเราจะได้เข้าใจหรืออย่าง สิกขาบทของพระเหมือนกันนะพระก็ผิดกันยาวมาเลยนะนึกว่าสิกขาบทมีแค่ร้อยององเจนะแต่จริงๆแล้วสิกขาบทของพระมี 2,400 กว่าข้อเดี๋ยวกลางๆงปีจะออกหนังสือเรื่องสิกขาบทของพระมาเราลองไปดูศิน3ระบบของพระนะจริงๆข้อมูลมีอยู่ทั้งหมดเลยแต่เราไม่ได้ไปศึกษากันนะนี่คือข้อมูลศินของพระทั้งหมดนะ อันนี้สิกขาบทสาระบบลองไปดูนะสิกขาบทของพระจริงๆมีสามระบบตรงนี้คือบัญญัติก่อนปฏิโมกปฏิโมกและพิสมาจารย์นะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยร้อกว่าข้อไม่ใช่สองสองเจ็ดตัวเลขสองสองเจ็ไม่มีในคลังพุทธการนะผู้เจ้าไม่เคยตรัสไว้นะ <c oughs> พระองค์ตรัสว่าสินเนี่ยสิกขาบทเนี่ยนำมาสวดแค่ร้อยห้าสิข้อแต่ต้องรักษา2400ร้ยกว่าข้อ นะ อ, อาตมาให้เขาลองทำมาเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะบีบให้ตัวเล็กที่สุดแล้วให้พออ่านได้ต้องบรรจุถึงยี่สิบสี่แผ่นขนาดนี้ใหญ่ๆนี่นะเพราะนั้นสินมีเป็นจำนวนมากเดี๋ยวจะทำลงมาเป็นหนังสือเนี่ยนะรวบรวมให้เรียงลำดับตั้งแต่ข้อแรกเลยไล่ตั้งแต่ข้อแรกตั้งแต่ระบบแรกสามร้อยหกสามข้อไล่ไปร้อยห้าสิบแล้วก็หนึ่งพันเก้า้อยสี่ิบข้อ นะเรื่องของอภิธรรมนะที่เข้าใจผิดกันอีกอภิธรรมในพระไตรปิฎกเนี่ยสิบสองเล่มเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกแต่งขึ้นใหม่อภิธรรมโดยพุทธวจนะเนี่ยก็คือโพธิปัจจยธรรมสาสิบดนะคือสติปัฏฐานสี่สัมมาประฐาน4อิอธิบาทสีอินทรีห้าพละห้าโพธชงเจ็ดอริมารมีองค์ดมีเท่านี้ซึ่งเป็นพุทธวจนะทั้งหมดนะ กลายเป็นว่าเราไปเรียนในสิ่งที่คนแต่งขึ้นนะก็เลยทำหนังสือตรงนี้มาด้วยนะจากปีที่ผ่านมาตรงนี้ก็พัฒนาขึ้นจากกลุ่มอาสาสมัครแล้วก็คณะสงฆ์ยี่สิบสามสิบองค์ช่วยกันทำนะเรารวบรวมคำพระสัสดามาได้ทั้งหมดในนี้อย่างนี้สามสิบสามเล่มนะ เป็นทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยเรามาจูภาษาบาลีลงไปด้วยในนี้ด้านซ้ายจะเป็นบาลีด้านขวาจะเป็นภาษาไทยทุกหน้านะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราจะทำหนังสือต้องทาหนังสืออย่างนี้นะออกแจ ก, กจ่ายทั่วประเทศนะหนังสือที่เป็นคำศาสดาของเรานะนั้นถ้าอยากตรวจสอบความถูกต้องก็ตรวจได้ทันทีในภาษาบาลีที่หน้าต่อหน้าข้อต่อข้อตรงกัน เราฉ จ, จะทําตรงนี้ได้ก็ลําบากเหมือนกันเพราะว่ า, อาของมหมามุกุฎเนี่ยทําหัวข้อตรงกันกันกบบาลีสามรัฐแต่จํานวนเล่มไม่เท่ากันมหมามุบาลีสามรัฐมีสี่พันเล่มมหมามุกุฎไปทำเก้าสิบเอ็ดเล่มแต่หัวข้อตรงกันส่วนมหาจุลานะทําเล่มตรงกันสี่สิบห้าเล่มแต่ข้างในหัวข้อไม่ตรงกัน พอจะมาทำฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็เลยทำยากนิดหนึ่งนะก็เลยมีโยมอีกสองท่านช่วยกันปรับฐานข้อมูลตรงนี้ให้ตรงกันจึงได้เล่มนี้ส3มสิบสามเล่มมาเวลาสแกนค้นหาจะได้ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องนะพระสูตรจะได้ตรงกันนะ <c oughs> นั้นอาจจะมาทาหมดทั้งในหนังสือทั้งในระบบของคอมพิวเตอร์ Computer, แล้วก็มือถือนะระบบแท็บเล็ตของพวกเราทุกคนอย่างนี้ ก็อยากให้พวกเราได้ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเราจะได้พ้นทุกนะพ้นทุกจริงจริงนะไม่ใช่พ้นทุกปลมปลอมนะหรือว่าไปแก้กรรมแล้วก็แก้ได้จริงนะไม่ใช่ไม่สะกิดผิวกรรมเลยกรรมไม่ได้ถูกลดทอนไปเลยนะนั้นเรานั่งอยู่บ้านเฉยเฉนั่งเจริญอาณาปานสิรักษาศีล น, นั่งสมาธิเจริญปัญญานะรู้ลมหายใจเข้าออกเห็นการเกิดดับภายในใจยมสามารถแก้กรรมได้แล้ว นะพ้นจากกรรมได้แล้วนะไม่ต้องไปวิ่งทําพธิธีกรรมอะไรที่ไหนเลยนะั้ น, นอันนี้ก็เลยแจ้งข้อมูลให้ทราบว่าตอนนี้ก้าวหน้าไปถึงตรงนี้นะ ล, ะละนที่ปีที่แล้วมีเรื่อ ง, งือมตอนนี้ไปะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็ก็ความจริงก็เป็นความจริงอย่างเป็นเพราะเขาไม่ได้ศึกษานะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เราก็คือทําความรู้ตรงเนี้ย ให้ปรากฏขึ้นนะกระเถบเข้ามาได้นะขึ้นมานั่งบนนี้ก็ได้ยยงนะมานั่งบนนี้ก็ได้นเลยนะเดี๋ยวข้างหลังไม่พอจะได้ข้าวลม เชิญมีคำถามของอาจารย์เนี่ยไม่ไไม่เอาใหม่ๆๆมาเปิดทิ้งไว้เลยนะไม่เปิดทิ้งไว้ได้เลยจวทันหมดเป<โ>ลี่ยนใหม่ได้ครับอขอถามอาจารย์หน่อยนะครับคือของอาจารย์เนี่ยศึกษาจากที่ภาษาขอมแล้วก็มาเป็นแปลมาเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับและทีนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าตัดจริงๆอะไรจริงๆเนี่ยมันก็มีการที่ มาจากที่อื่นด้วยไปที่อื่นด้วยอย่างเช่นว่าไปเมืองจีนไปที่ไหนเนี่ยที่นี่อยากจะทราบว่ามันเหมือนกับที่มาที่เมืองไทยมัมันแปลกว่ามันเหมือนกันเลยลองไปดูที่ของอัฟกานิสถานที่ไปเจอนะแล้วที่เขาอัญเชิญมาที่ประเทศไทยใช่ไหอ่าเราไปดูนะนี่คือสถานที่ที่เจอที่อัฟกานิสถานนะในถ้ำตรงนี้นะอ่า เป็นใบลานแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างนี้นะแล้วนักภาษาศาสตร์แล้วก็นักโบราณคดีก็เอามาต่อกันนะจนได้เป็นอย่างนี้นะจากนั้นเนี่ยแปลออกมาเป็นอักษรโรมันแล้วมาแปลเป็นอักษรไทยได้อย่างไรอริยสาวกไม่เสพทางเสือแมงโผคะ6ทางเป็นอย่างไรเล่าข้าบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุลาและเมรัยเป็นทางเสือแม่งโผคะเห็นนะ ที่เราเรียนกันสมัยเด็กๆนะอบายมุกหเอามาจากตรงนี้นะการตามประกอบในการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลาวิกาลเป็นทางเสื่อมแห่งโขคะเที่ยวไปในที่ชุมชุมนุมแห่งความเมานะการพนันมิจชั่วความเกียดค้านนะหทางเห็นนะเราจะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถูกกระจายไปทั่วโลกนะไปเจอในถ้ำบ้างในก้อนศิลาบ้างในใบลานบ้างอะไรอย่างนี้นะ นั้นศาสนาพุทธเนี่ยแพร่ไพศารไปทั่วโลกแล้วจึงบอกว่าศาสนาพุทธแต่งใหม่ไม่ได้ห้ามแต่งใหม่อะไรที่พระณนะวันนี้บัญญัติใหม่ต้องเลิกซะไม่งั้นศาสนาจะเดินไปสู่ความเสื่อมตลอดเวลาบางคนก็บอกนั่งสมาธิต้องสั่นพระเจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องสั่นนะอ่าบางคนก็บอกนั่งสมาธิมีปิติต้องตัวโคลงโยกไปโยกมาพระเจ้าไม่เคยบัญญัติบอกกายต้องนิ่งไม่ไหวติงนะพระมหากปินะมีกายนิ่งไม่ไหวติง เป็นที่เรื่องลือในหมู่ภิกษุเขก็ไปถามผู้เจ้าว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นพระศาสดาบอกว่าเป็นเพราะพระมหากริญญเนี่ยเจริญอาณาปานสติมาเป็นอย่างดีทําให้จิตไม่ไหวโครงเมื่อจิตไม่หวโครงกายก็ไม่ไหวโครงตามพระสูตรนี้นะภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีไม่ได้เพราะการเจริญทําให้มากซึ่งอาณาปานสติสมาธิเห็นนะผู้เจ้าให้ นั่งสมาธิแล้วทำกายจะสังขารให้ลํางับให้หยุดนะทํากายเนี่ยให้สงบไม่ใช่ให้กายสัน่นนะอเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆในปัจจุบันนี้จะถูกเพิกถอนไปทีเล็กทีน้อยแล้วนั่งสมาธิไปแล้วหลับไปหละถ้าหลับเหรอ <laughs> ถ้าหลับก็ตื่นแล้วมาทําใหม่หลับไปมันไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิหลับไปไม่ไม่ใช่สมาธิอะ <laughs> แต่ต้องแก้ตอนก่อนหลับพระโมคคานะก็ง่วงหลับเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> พระศาสดามาประกฏต่อนหน้าถามว่าโมคคารนะเธอง่วงเหรอพระโมคคานะก็บอกง่วงพระเจ้านะอา่าก็เลยบอกวิธีแก้ง่วงบอกว่าให้เอาน้ํำรูปหน้ามองดูดาวหรือมองแสงสว่างนะหรือว่าสาธยายธรมก็ได้นะหรือว่าเดินจงกรมแต่ถ้าแก้ทั้งเจ็ดวิธีไม่ได้แล้วก็ให้ไปนอน นะเป็นวิธีที่8แต่พวกเราอย่าใช้วิธีที่8ก่อนนะลองใช้วิธีอื่นก่อนอเพราะฉะนั้นเวลาที่นั่งสมาธิแล้วก็นั้นถ้าเราเรารู้สึกง่วงเราก็ควรจะลืมตาหรือหลับตาในั่งสมาธิพระศาสดาไม่ได้บัญญัติให้หลับตาไม่ได้บอกให้ลืมตาหรือหลับตานั้นหลับตาก็ไม่ผิดลืมตาก็ไม่ผิดการสอนภิกษุ พระองค์บอกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีสายตาทอดลงต่ําแสดงว่านั่งสมาธิแล้วตาทอดลงต่ําอย่างนี้สายตาจะสบายเพราะพระองค์บอกว่าการทําสมาธิเนี่ยตาของเธอจะไม่ลําบากกายของเธอจะไม่ลําบากน ะ, ะการเจริญอาณาปาร์อันนี้คือพระสูตรนี้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายก็ไม่ลําบากตาก็ไม่ลําบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานนะนั้นก็คือ สายตามองตามแต่ใครจะหลับตาก็ไม่มีบัญญัติว่าผิดนะหลับตาก็ได้อย่างนี้ถ้าใช้วิธีสวดมน <c oughs> ต์ทำสมาธิด้วยกันถ้าใช้วิธีสวดมนต์ต้องสวดมนต์ให้ถูกด้วยทุกวันนี้เราสวดมนต์กันผิดนะผิดคืออย่างไรนะอาตมาเลยต้องทําหนังสือสาธยายธรรมขึ้นมาให้พวกเราได้ทราบนะหลักในการสาธยายธรรมของพระศาสดาบาลีเรียกสัจชายะ เราอาจจะเคยได้ยินคําว่าสังวัทยายสังวัทยายไม่ใช่ภาษาบาลีภาษาบาลีใช้คําว่าสัจชายะนะสังวัทยายเป็นสันสกฤตนะซึ่งผู้เจ้าห้ามบัญญัติธรรมะเป็นภาษาสันสกฤตนะภิกษุที่ไปบัญญัติตรงนั้นจะถูกปรับอบัติทุกกฎนะทีนี้ภาษาบาลีที่ว่าสัจชายะคือการสาทยายที่เป็นไปเพื่อวิมุติเป็นอย่างไรหนึ่งต้องสาธยายคําศาสดานะข้อแรกเราก็ผิดแล้วเพราะว่าเราไปสะทายายสิ่งที่ศาสท์ไม่ได้บัญญัติ นะอ่าอย่างที่2ต้องเข้าใจ3เกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นถ้าใครสาธยายทำแล้วมี5อาการนี้เป็นการสาธยายที่เป็นไปเพื่อวิมุติหลุดพ้นนะและคำที่พระศาสดาสาธยายอาตมาไปบรรยายให้พระ700องค์ที่สุรินฟังนะ0องค์ที่สุรินนะ0องค์ที่บุรีลำนะแล้วก็อีก400กว่าองค์ที่ ทำดาวขาวแก้วนะปรากฏว่าพระไม่ทราบว่าศาสดาตัวเองเนี่ยสาธยายอะไรนะพระศาสดาเราสาธยายกฎอิทับปัจจยาตาสาธยายปฏิจจสุบาตวงรอบเกิดวงรอบดับนั่นคือสาธยายกฎธรรมชาติและเหตุเกิดของความตายและความดับไปของความตายปรากฏว่าชาวพุทธสาธยายไม่ตรงกับที่ศาสดาบอกสอนนะอันนี้คือตัวพระองค์เองสาธยายตรงนี้ สีบรรทัดเองอิมัสมิงสติอทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุ ป, ปาทาัยทางอุปสติเพราะการเกิดขึ้นอย่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอัสติทางนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรทายทางนุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะแล้วก็สาธยายปฏิจจสุบานเหตุเกิดของความตายและเหตุดับของความตายความตายเกิดมาได้ยังไงไล่ลําดับเหตุไปแล้วก็เหตุดับของความตายนะ ก็เลยทำหนังสือตรงนี้ขึ้นมาในหน้าย2บสองจะเป็นปฏิจจสุบาทส่วนหน้าอื่นเนี่ยจะเป็นพระสูตรที่พระศาสดาบัญญัติไว้ว่าสำคัญเช่นว่าเรื่องของอริสัตถีมรกมีองค์8ซึ่งพระองค์บอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดที่เราจะต้องรู้ในการเกิดมาแม้ไฟไหม้ผมบนศีรษะของเธอถามสาวกว่าต้องทำอะไรก่อนสาวกบอกว่าดับไฟก่อนพระศาสดาบอก อย่าเพิ่งดับมาลุอเลสสั ส, สีก่อนนะด่วนขนาดนั้นน ะ, ะเราจะบรรจุพุทธวจนะที่พระศาสดาบอกสอนไม่มากเน้นย้ำว่าอันนี้สําคัญนะเอาไว้ในหนังสือสาธยายธรรมเล่นนี้ น, นั้นโยมใช้หนังสือสวดมนต์ที่ อ, อยู่มีขายทั่วประเทศเนี่ยมันยังไม่ใช่พุทธวจนะปัญหามันคือตรงนั้นใช่บ้างไม่ใช่บ้างไม่ใช่ว่าใช่ทั้งหมดหรือไม่ใช่ทั้งหมด ก็เลยอยากให้กลับมาใช้คำพระศาสดาทั้งหมดเพราะอ น, นิสงค์ของการทรงจำคำศาสดาได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนั้นมีอ น, นิสงค์มากผู้เจ้าบอกว่าจะมีอนิสง์สีอย่างคือเมื่อเธอมีสติหลงลืมทำกาละโยมพลาดพลั้งขาดสติในการตายโยมจะยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาทั้ง4กลุ่มในเทวดาทั้ง4กลุ่มนี้ กลุ่มแรกเนี่ยจะระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระศาสดาที่ตนเองทรงจําไว้ได้ในพบนั้นในพบของเทเวดาแล้วจะบรรลุธรรมกลุ่มที่2อระลึกเองไม่ได้แต่จะไปได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วจะบรรลุธรรมพวกที่3เขาจะได้ยินได้ฟังพวกเทพบริษัทแสดงธรรมแก่เทพบริษัทด้วยกันเองแล้วจะบรรลุธรรมพวกที่4คือได้ยินจากเทพบริษัทผู้เกิดก่อนเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลัง ว่าธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาระลึกได้แล้วจะบรรลุธรรมนี่คือนิสงส์สี่อย่างนั้นคำศาสดายังต้องส่งจำให้ได้อย่างน้อยบทหนึ่งนะน้อยที่สุดคือบทเดียวสามารถบรรลุธรรมถึงมรรคนิพพานได้แล้ว น, ะนีก็สงสอสอบถามพระอาจารย์สองข้ อ, อะนะครับคือหนึ่งที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างเลือกอารูปฌานใช่ไหครับะ้ภาษาไทยอยู่ใน อยู่ในพัดไตปินกที่รวบรวมไว้อยู่ใน45เล่มอยู่ใน45เล่มด้วยใช่คือไม่ได้แต่ว่าภาษาบาลีไม่มีคำว่ามุชานหมายถึงว่าใช่คือเราก็เราก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าภาษาไทยตรงไหนถูกตรงไหนผิดอ่าฮะคือแค่แค่เป็นการนําเอาพัดไตปินดกมาอ่าฮมาอยู่ในรูปแบบที่อ่านง่าเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่เอ่อเพราะว่าแต่ละคํามีความหมาย คำว่าชาหรือชาณนะในบาลีมีไงคำว่าชานเนี่ยพระาศาสดาไม่เคยใช้ในระดับอารูปเลยแต่ใช้ในระดับรูปสัญญาสี่สมาธิขั้นแรกก็หมายถึงถ้าเราอ่านภาษาไทยเราก็ยังเราก็ยังอาจจะเข้าใจผิดต่อไปได้อยู่ถูกต้อ ง, งมีคาว่ารูปชาถูกต้องจึงต้องมีบาลีกำกับทุกครั้งอะ่ะเพราะนั้นเวลาโยมอ่านอย่างเช่นว่าโยมจเจริญสติปัฏฐานสี่ไปใช่ไหโยมไปเจอภาษาไทยบอกว่าให้ละ ความพอใจไม่พอใจในโลกออกให้ได้โยมอ่านไปอีกหน้าหนึ่งลากความยินดียินร้ายในโลกออกเอ๊ะมันเหมือนกันหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมอีกอันนึงไปเจออ่านละสุขและทุกข์ในโลกออกเสียได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสามสำนวนใช้จากคําว่าอภิชาและโทมนัสโยมกลุออภิชาโทมนัสมาจากรากศัพท์ตัวเดียวกันโยมก็จะได้ไม่ต้องสงสัยใช่ไหมเพราะภาษาไทยมันมีหลากหลายสำนวนและคนแปลก็ไม่ใช่คนคนเดียวกันเพราะคนเดียวทําไม่ไหว ต้องใช้เป็นทีมเป็นร้อยคนเมื่อเป็นร้อยคนปุ๊บแต่ละคนก็มีสัมนวนที่ต่างกันแต่สัมนวนที่ต่างกันนั้นมาจากรากศัพท์ตัวเดียวกันพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายนะในภาษาไทยก็ดูไม่ต่างกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยอ่าก็เข้าพอเข้าใจได้อีกข้อนึงครับคือพุทธวจนะเนี่ยรวบรวมมาเฉพาะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเท่านั้นใช่ไหมครับไม่ถูกต้องใช่ใช่จากที่อื่นไม่เอา เพรนี่คือหลักฐานที่เก่าที่สุดแรกเริ่มเดิมทีไม่มีคําว่าพระตา บ, บีดกอกเยอพระาศาสดาบัญญัติธรรมะกับวินัยสองอย่างที่ออกจากปากนะอ่าปิดกที่สมเนี่ยมาแต่งกันเองคําว่าอภิธรรมเนี่ยมีโดยบทพันชนะผู้เจ้าเคยพูดคําว่าอภิธรรมแต่เนื้อในไม่เหมือนกันอภิธรรมที่เรียนในทุกวันนี้เป็นคําที่แต่งขึ้นอภิธรรมของพระาศาสดาพระไพบูรณ์เป็นคนเจอก็ไปสแกนหาว่าอภิธรรมคื อ, อไรพะคีคําว่าอภิธรรมเข้าไปเนี่ย พระสูตรจะออกมาเป็นร้อยๆโยมก็ต้องเคลียร์ที่ไม่ใช่พุทธวจนะออกพวกอัศจรรยทั้งหลายเหลือแต่พุทธวจนะเนี่ยประมาณสิบกว่าพระสูตรในสิบกว่าพระสูตรนี้ผู้เจ้าจะตัดอภิธรรมอภิวินัยคู่กันตลอดเลยโยมดูเข้าไม่เห็นเรียนอภิวินัยเลยเห็นไหมทั้งที่พระศาสดาตัดไว้ด้วยถ้าเรียนอภิธรรมต้องเรียนอภิวินัยด้วยเพราะพระองค์ตัดคู่กันมีหนึ่งพระสูตรตัดอภิธรรมคําเดียวก่อนตัดอภิธรรมนี้ตัดหมวดธรรมขึ้นมา หมวดหนึ่งคือโพธิปัจิยธรรมส7ิบเจ็ดนั้นหมวดธรรมนี้คืออภิธรรมนั่นเอง น, นี่คือคำตอบโดยพุทธวจนะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเช็คบาลีหมดเงียเยอะภาษาไทยเนี่ยเพื่อความเข้าใจภาษาไทยก็ไม่ใช่ภาษาธรรมะเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้ถ้าเกิดข้อขัดแยง้งหรือความสงสยัยให้กลับไปที่บาลีอย่างนี้ ขอถวายเงินที่พวกเรารวบรวมได้นะคะรวบรวมกันได้1นึ่ง0สนหนึ่งหมื่นสองจ็ดร้อยบาทที่นะถวายอ่าขออนุโมทนาเนาะภาพในวังสุขะไทยนีนะ อะไรนะยังไม่มีอ๋อลังบรรจุก็จากในรัฐสภาก็ไปบรรยายที่วังสุโขทัยนะก็กระเถิบไปเรื่อยๆนะอ่าเราก็ได้เผยแผ่พุทธพจนะไปกว้างขวางขึ้นได้สร้างความเข้าใจให้กับคนมากขึ้นนะ ยังเลย ย, ยังเปลี่ยนตรงนั้นไม่ได้ ย, ยังเจาะไปถึงตรงนั้นยังเจาะไปถึงตรงนั้นไม่ได้ค่อยๆเจาะไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็ทราบว่าท่านเจ้าคุณทั้งหลายเนี่ยเริ่มใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วใช่นะพระอุปถาม์ของหลายๆองค์เนี่ยบอกว่าใช้โปรแกรมอ e ีจติปิกะที่อัตมาทําไปให้แล้วนะเพราะว่ามันตรวจสอบเร็วมากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยิ่งคนใช้มากเท่าไหร่นะ ความจริงจะปรากฏขึ้นมาเร็วขึ้นเท่านั้นนะอาตมาก็แจกให้กับกลุ่มอาสาสมัครที่ช่วยทำหนังสือสาสามเล่มนี้ด้วยเพราะเขาจะไปเป็นเหมือนกับพรีเซนเตอร์เนาะช่วยไปกระจายสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไปนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องออกไปอย่างนี้ อ, อ๋อ <c oughs> <c oughs> กลังกระจายเข้าไปก็ให้ไปกับที่สานักนายกนี้ด้วยน ะ, ะหลายหลายชุดให้เขาได้ไป ตรวจสอบสแกนแล้วก็ใช้โปรแกรมของเรานะดาวน์โหลดฟรีดาวนะ์โหลดฟรีะเข้าถ้าของ a n d ด o i d ก็เข้าไปใน Android Market เข้าไปใน Market แล้วก็ i n s t ต l l ติดตั้งได้เลยไม่ถึงนาทีใครมีตอนนี้ก็ติดตั้งได้มีใช้ Wi-Fi ที่นี่ได้ อ, อะไรนะรอะไรนะ Search คำว่า <c oughs> พุทธวจะนะก็ได <c oughs> ้ หรือใช้คำว่าอีแตปิต ก, กะหรือแตปิต ก, กะเฉยๆก็ได้นะอ่าเนี่ยเซิร์ชคำนี้เข้าไปก็ได้หรือพุทธวจนะที่เขียนตรงเนี้ยพุทธวจนะนี่ก็ได้นะนี่ก็เลยเป็นเหตุให้อัตมาต้องมีอุปกรณ์มันทุกอย่างเลย <c oughs> เพราะเวลาเขาเขียนโปรแกรมมาแล้วเนี่ยเราต้องเป็นคนใช่ไง ไม่งั้นเราไม่ไม่รู้อันนี้ก็เป็นแถบซัมซุงใช่ไห ม, หมอ่าเขาเขียนมาแล้วก็ต้องมาใช้แล้วเราก็บอกเขาว่าตรงไหนเราต้องการอะไรบ้าง <S <S อย่างเงี้ยเดิมเขาทาขาวโพลนมาหมดเลยเราก็บอกตรงนี้ขอเป็นสีแดงนะสีนั้นสีนี้ตรงนี้ขอให้มีสีหน่อยเวลาจะอ่านตรงไหนนะเวลาสแกนแล้วขอให้มีการจดจําด้วยเพราะข้อมูลเราเริ่มเยอะ <S <S <ๆ>เขาก็จะเขียนโปรแกรมแก้มาให้แก้มาให้นะจนมันเริ่มสมบูรณ์ขึ้นอย่างนี้นะ ผู้เจ้าไม่มีบัญญัตินะเพราะนั้นก็ iPhone, i p อ d iPad มีหมดนะแต่ไม่ใช่ของอาตมาเพราะเป็นของญาติโยมนะญาติโยมจ่ายเงินให้ซื้อเครื่องให้ค่ารายเดือนรายพระไม่มีเงินเรามีแต่ตัวเขาเอาอุปกรณ์มาให้เราใช้แค่นั้นนะของอะไรที่ถวายรถยนรายต่ อ, อะายเป็นชื่อเขาหมดนะไม่มีชื่อเรานะาเพราะนั้นเราไม่มีสมบัติมีแต่ตัวนะบาทจีวร2 อ, อย่างแค่นั้น ผู้เจ้าบอกภิกษุมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายนะมีแค่สองอย่างเอเอโยมวัดสิริพงก์ก็วั ย, ยาวัจกรกับเออ โยมวัดที่วัดนั่นก็มาขอหนังสือพุทธพจนะเราไปแล้วก็ให้ข้อมูลไปน ะ, ะแล้วก็ที่พระที่ที่วัดอะไรเนอะสมียนานาลีนี่ก็มาขอก็ให้ซั s u ุงแ a บนี่ไปนะให้ท่านชื <c> ่อ <oughs> ไปตรวจสอบเป็นกำลังนะตอนนี้ก็กำลังใช้กันแพร่หลายไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มีมีโยมที่เข้าไป ที่เมืองจีนแล้วก็ไปเช็คของพวกนี้มามีที่ราคาถูกกว่าพวกนี้แค่พันกว่าบาทก็เลยเอามาลงขายที่มูนิทนะิฝั่งตรงข้ามเพื่อให้สามารถามีของถูกใช้งานได้อย่างพวกนี้หมื่นกว่าบาทหรือ 30,000 ื่นแต่จริงๆตอนนี้ประเทศจีนทำได้ถูกแค่พันกว่าบาทนะเรียนแบบซั s u n g เลยเหมือนกันเป้เลยนะ แล้วก็สามารถสแกนได้รายได้แล้วก็ลองใส่ E-T-P สกาเข้าไปแล้วนะเป็นระบบของ a n d ดรอ d นะแล้วก็มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดเลยนะโ <c oughs> <c oughs> หลดได้อย่าง <c oughs> ได้แล้วนะนับเดียวไม่ถึงนาที Wi-Fi ที่นี่ก็เร็วก็มีโยมอนุเคราะห์อีกเดินไฟเบอร์ออปติกมาถึงที่นี่เลยนะสปีดค <Speed. S 2> ่อนข้างเร็วมากนะ มีใครสงสัยข้อเชิญเนี่ยขอไมค์ขอไมค์นิดหนึ่งนะครับดัง น, นนี้ขนาดนี้ก็ถ่ายทอดสดลงเว็บไซต์ด้วยนะเนี่ยไปทั่วโลกน ะ, น, ะนั้นใครถ้าแท็บของใครเปิดเข้าเว็บไซต์ได้ก็ลองกดเว็บไซต์ดูจะเห็นการถ่ายทอดสด <c oughs> ต้องอยู่ตรงนอนสองมุมยู <c oughs> ครับ การเรียนให้อาจารย์ขยายความในเรื่องของวันนั้นฟังไม่ทันนะครับในทีวีเรื่องของอาการปฏิบัติในเรื่องของพระโสดาบันขยายความตรงนี้พระโสดาพระสกัทธาพระอานาคาครับอ อ, อ, ออ๋ครับขยายความตรงนี้ให้ด้วยนะครั บ, <c oughs> บรครับพ ร, พระโสดาบันเราดูคุณสมบัติง่ายๆจริงๆพระาศาสดาบัญญัติไว้สี่สิบกว่านัยะ ในหนังสือเล่มนี้คู่มือโสดาบันอาตมารวบรวมมาให้โยมแล้วนะเอาคุณสมบัติง่ายๆสักคุณสมบัตินึงคือการมีสินห้าบริบูรณ์อย่างที่สองการไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรยัยโยมมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหวไม่เชื่อถืออย่างอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นั้นใครมีสองคุณธรรมนี้พระศาสดาบอกว่าถ้าหวังจะพยากร<ม>ก็ให้พยากรตนและตนนั้นว่าเป็นพระโสดาบันแล้ว ส่วนพระสกท า, าคามีมีคุณสมบัติละสังโยชน์5สามข้อแรกได้เท่ากันกับพระโสดาบันแต่ราคาโทสะโมหะเบาบางลงเล็กน้อยแค่นั้นส่วนอนาคามีต้องละได้อีกสองคือกามราคะกับปฏิฆะนะความพอใจและไม่พอใจในตาหูจมกกูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ช่องทางของกายเท่านั้นนะส่วนพระราหารนันละสังโยชน์อีก5นะเป็นเรื่องของจิตล้วนๆทั้งหมด อันนี้ก็คืออริยบุคคลทั้งสี่ระดับเป็นเรื่องของจิตสําหรับพลลระลรหันแต่เฉพาะพระอ า, ารันอย่างเดียวใช่ไหมครับเฉพาะพระละหาันใช่ครับโยมอาจารย์ก้างหลังก้างหลังส่วนทันทน้งคือท่านได ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของพุทธวจนะนะครับแต่นี้ที่เราที่เราได้เรียนรู้มาเราก็มีทั้งทางด้านอัตถกถาด้วยใช่ใช่นี่เพื่อท่านท่านแยกเอาพุทธวจนะออกไปแล้วเนี่ยทั้งส่วนของอัตถกถาจาย์เนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างหรือเปล่าครับแล้วเราจะมีหลักการอะไรที่จะเอาเ่านั้นมาใช้ร่วมกับพุทธวจนะครับอ๋อถ้าจริงๆแล้วความเห็นพระศาสดาเนี่ยพระองค์จัดว่าอย่างนี้พระองค์บอกว่า สุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกาบกรลมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านัน้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยวหูฟังไม่ตั้งคิดก็จะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนนั้นพระศาสดาตัดเลยว่าอย่าไปศึกษาอย่าไปฟังนะในคําที่แต่งขึ้นใหม่หรือคําของสาวกและผมก็ตัดกลับกันว่า ส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนพระองค์เนี่ยตัดให้ศึกษาแต่คําตถาคตเท่านั้นอย่าศึกษาคําคนอื่นเลยปิดประตูเลยไม่เอาอย่างเงี้ยนั้นท่านผู้ท้าต์ก็เลยทําหนังสือมานะยมันเปิดดู ดึงมาสามเล่มสองเล่มสามเล่มใลก็ได้อ่านี่ท่านผู้ท่านก็เลยทําหนังสือตรงนี้มาห้าเล่มจากพระโอษฐ์นี่เป็นตัวอย่างสักสามเล่ม น, นะสเล่ม น, นี้ท่านผู้ท่านจะดึงเอาอัตถกถาออกทั้งหมดให้มีแต่พุทธวจนะซึ่งตรงตามที่พระศาสดาบัญญัตินะห้าเล่ม น, นี้จะเป็นคําสอนจากพระโอษฐ์ทั้งหมด ที่เป็นด้านอริสัตยสีอริสัตย์จะมีขนาดนี้สองเล่มอันนี้อริสัต์ภาคต้นกับภาคปลายนะอันนี้จะเป็นพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ประวัติของพระศาสดาที่พระองค์ตัดด้วยพระองค์เองไม่ใช่ใครแต่งเติมแล้วนี้เป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คําสอนที่ว่าเก่าวตักเตือนสั่งสอนพิสูจโดยตรงคําขนาดพิสูจนนั่นเองนะสี่เรื่องห้าเล่มนั้นท่านผู้ทาทเคยทํามาแล้วนะ แต่เนื่องจากยุคนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์ท่านใช้เวลาตั้ง22ปีทำได้5เล่มของเราใช้เวลา 2-3 ปีทำได้ครบ33เล่มในบาลี3มลัฐนะเพราะเรามีคอมพิวเตอร์ช่วยตอนนี้แล้วมีกลุ่มอาสาสมัครเป็นร้อยคนนะั้นต่อไปหนังสือชุดนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เป็นเรียกว่าเป็นหลักเลยนะในการที่จะเผยแผ่คำสอนเพราะจะมีแต่คำภษาสดาและเมื่อทาตรงนี้เสร็จเราจะข้อมูลนี้เข้าไปใน ในโปรแกรมที่จะสแกนต่อไปโยมก็จะสแกนแต่พุทธวจนะล้วนได้แต่ตอนนี้โปรแกรมจะสแกนให้ให้ทั้งของจริงของปลอมโยมต้องแยกนิดหนึ่งว่าคําที่เราเจอเนี่ยอยู่ในวลีคําพูดศาสดาหรือไม่นะว่าเช่นดูก่อนพิสึงไร้ดูก่อนอนุนดูก่อนสารีบุตรอย่างนี้นะอ่าใช<ๆ>่ใช่พระศาสดาบอกว่าอย่าไปสนใจเลยเพราะสาวกเนี่ยก็เอาคําพูดศาสดามาพูดอีกเองนั่นแหละนะอ่า นั้นเราศึกษาคำพูดศาสนาอย่างเดียวนี่คือครบถ้วนแล้วถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะ <c oughs> เป็นธรรมดาที่เราอ่านคําศาสดาแล้วจะไม่เข้าใจเพราะพระองค์เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องนะวิธีก็คือเข้าใจเท่าที่เข้าใจแล้วอ่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต่อไปจะต่อยอดกันเองนะอย่างถ้าโยมอ่านไปปุ๊บผู้เจ้าบอกให้ปล่อยวางขันห้าเอ๊ะเราขันห้าคือไรไม่ต้องกลัวอ่านไปเรื่อยๆอีกสองสมเดือนอาจจะเจอขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเป็นความรู้สมบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์นะไม่ขาดตกบกพร่องแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครไม่รู้ตรงไหนจึงไม่ได้มาเรียงตามความรู้ของแต่ละคนอย่างนี้นั่งแกะในนี้ได้นะพราะนั้นก่อนปลรินิพาน์เนี่ยพระศาสดา บ, บอกเลยว่าคำของพระองค์เนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วอย่าเติมอย่าตัดอย่าแต ะ, แตะห้ามแตะเลยห้ามสาวกแตะเลย สัพพัญยูพูดไว้ครบถ้วนแล้วอันนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากความสําคัญนี้อาตมาทําไว้ให้ในแผ่นพับนี้แล้วนะด้านหน้าด้านหลังเนี่ยสิบกว่าพระสูตรที่บง่งบอกถึงความสําคัญของพุทธวจนะที่ศาสดาบัญญัติด้วยพระองค์เองนะตั้งแต่ว่า <c oughs> พระองค์กำห น, ำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คําเดียวซึ่งสาวกทําไม่ได้เลยนะคําพูดพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันทั้งชีวิต คำพูดเป็นอาักาลิโกสามความสามารถตรงนี้สารีบุตรยังทําไม่ได้เลยนั้นพระองค์จึงบอกว่าสาวกเป็นเพียงแค่มัรคานุกข า, ขาผู้เดินตามเท่านั้นนะไม่ใช่ผู้บัญญัติคําสอนผู้บัญญัติคือปัญญัตินิรุตติคือภาษาคือศาสดาเท่านั้นองค์เดียวไม่มีคนอื่นนะพระองค์จึงตัดว่าให้สนใจแต่คําตถาคตนะอย่างในพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ซึ่งพระสูตรนี้ก็เลยเป็นหลักเอามา ขยายมาใหญ่ๆตรงนี้แล้วเทียบกับบา i ีเทค s ซ c i e t y สมาคมบาลีปรกรณ์ของประเทศอังกฤษก็ตรงกันหมดทุกตัวอักษรอย่างนี้ <c oughs> ต้องเทียบเคียงข้อมูลกันพอสมควรเหมือนกันนะของมหย า, ยายาณส่วนใหญ่จะเป็นอัธกถาอยู่นะจะเป็นของสาวกพูดกันเองอย่างของเซนนี้ก็เป็นสาวกพูดนะ ไม่ได้เป็นพุทธวจนะในพระสูตรนี้สิบพระสูตรนี้โยมจะเห็นถึงความสอดรับกันทั้งหมดเลยว่าไม่มีพระสูตรใดเลยบอกว่าให้ไปฟังคำสาวกนะอย่างในพระสูตรนี้ก็จะบอกนะถ้าในบาลีสามรัฐจะแปลสำนวนนี่ค่อนข้างรุนแรงนิดหนึ่งก็คือบอกว่าเป็นบริษัทที่ดื้อได้ <c ười> คือบริษัทที่ไม่ศึกษาคาตถาคตนะแต่ท่านผูทานจะ เปลี่ยนสัมนวนว่าเป็นบริษัทที่ไม่เลิศนะส่วนคนที่ศึกษาคำคำตถาคตจะบอกบาลีสยมนัดจะบอกว่าเป็นบริษัทที่ไม่ดื้อด้านนะอ่าส่วนท่านพุท้าจะใช้สัมนวนว่าเป็นบริษัทที่เลิศนะซึ่งเนื้อหาจะเหมือนกันก็คือเนื้อหาผู้เจ้าจะบอกว่าพวกปฏิปุชาวินีตาปริสาโนอุกาจิบวินีตาเนี่ยคือศึกษาแต่คาตถาคตไม่ศึกษาคําคนอื่นจะได้ชื่ออย่างนี้ โนนะอ่ะคือไม่โนอุกาจิตก็คือไม่ศึกษาคําของสาวกหรือคําแต่งใหม่เลยอย่างเนี้ยแต่ให้เราทราบว่าพระที่เทศกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าผิดทั้งหมดไม่ใช่ว่าถูกทั้งหมดต้องใช้หลักมหาประเทศสี่นะเมื่อฟังแล้วต้องจําให้ดีผู้เจ้าบอกจําให้ดีนะก็พูดอะไรแล้วเอามาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยซะก่อนอาตมาเลยต้องทําไอ้โปรแกรมตรงนี้ขึ้นมาเวลายอมฟังเทศใครแล้วเนี่ยสแกนได้ปุ๊บเลย อาตมายังคิดต่อไปอีกว่าในอนาคตท่าอาตมาสามารถพัฒนาโปรแกรมให้จับเสียงคนได้เนี่ยอาตมาสามารถจับเสียงเทพได้แล้วก็ตรวจสอบได้เลยว่าพระองค์เนี่ยเทพตรงกับผู้เจ้ากี่เปอร์เซ็นต์นะอ่านั่นก็คือเมื่อโยมฟังเทพพระองค์นั้นแล้วโยอมมีโอกาสในการผิดพลาดเนี่ย ก, กี่เปอร์เซ็นต์นะอ่าอย่างนี้นะโปรเจกต์ต่อไป พนะกขอขอเรียนถามนิด uh huh. ตอนพระเทศส่วนมากจะส่วนมากโยมก็จะสอบถามว่ามนุษย์มาจากไหน uh huh. ในหนสื่อเล่มนี้ฝ่าจะมาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็แต่งโดยพระมหา uh huh. uh huh. ต้องเตือนนะฮะก็บอกว่ามาจากอภัสสรอภัสสรพรมแล้วก็ทุต uh ิมาเกิดในโลกในครั้งแรกแล้วก็แล้วก็พ่อแม่เราก็คือพม uh huh. แล้วหลังจากนั้นมนุษย์ก็ทานหุ่นดิน uh huh. แล้วเสร็จแล้วก็กลายหยาบ uh huh. แล้วเสร็จแล้วก็เลยทำให้การแยบ ในในพบข้างบนก็เลยละซึ่งซึ่งซึ่งตรงเนี้จะมีพระเทศตลอดเลยว่ามนุษย์มาจากไหนก็ก็จะมีการเทศตรงนี้ข้อได้จริงแล้วเนี่ยเอมันมันเป็นยังไงมาไงฮะพระสูตรนี้ก็มีเหมือนกันนะ <c oughs> แต่เวลาเขาเอาไปเขียนเนี่ยถ้าหลักการเนี่ยเขาไม่ได้ใช้หลักการพุทธวจนะเขาจะมีการแต่งเติมไปด้วยเขาจะยกพระสูตรมาหน่อยนึงแล้วก็อธิบายเองซะมากนะจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน เพราะนั้นเวลาศึกษาเนี่ยให้กลับไปศึกษาในพสูตรเพราะฉะนั้นเขาจะต้องอ้างว่ามาจากพสูตรใดนะจะต้องบอกว่าอ่ามาจากอังคุตระนิกายหน้านั้นข้อนั้นเล่มนั้นอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถคีย์เข้าไปในนี้ได้ว่าอา่าพอยกพสูตรขึ้นมาเรียบร้อยเรามีข้อมูลที่เก่าที่สุดแล้วนะเราก็คีย์เข้าไปเลยว่าเขาเอามาถูกต้องจริงหรือเปล่าอย่างนี้แล้วตัวบทความนี้เนะท็จจริงยังไงฮะบทความนี้มีมีข้อมูลจริงอยู่เยอะนะอ่านะ มีข้อมูลจริงอยู่แต่อาตมาไม่กล้ายืนยันหนังสือเล่ม น, นี้เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่แต่งหนังสือเองก็จะแต่งเติมขึ้นนะแล้วก็แล้วในในในพัทธลักษัพก็จะมีพระพุทธเจ้าที่ก็จะมีการกล่าวถึงในในหนังสือเล่มนี้นะฮะก็จะมีต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีพระพุทธเจ้าถึงพันสองหนึ่งสนสพันพระองค์อ๋ออันนี้อันนี้ต้องอ้างอ้างคําพระศาสดามาอันนี้เริ่มพูดเองแล้วนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นโปรเจกต์ต่อไปคือกําลังรวมว่าพระศาสดาจริงเนี่ยพระพุทธเจ้ามีมาแล้วกี่องค์การจะรวบรวมตรงนี้คือต้องรวบรวมจากคําศาสดาของเราเองที่กลัดถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนและองค์ที่จะมาในอนาคตเช่นตอนนี้ที่ทราบก็คือพระพุทธเจ้านาบั้เมตเตยะจะมาตรัสรู้ในอนาคตเนี่ยเมื่อมนุษย์มีอายุถึง 80,000 ปีครั้งหนึ่งเดิมเนี่ยมนุษย์อายุ8 0,000 ่นปีแล้วก็ทุศิลเนี่ยมนุษย์ก็อายุลดลงเหลือ100ปีพระเจ้าเราก็มาเกิด การสลูศรธรรมะเสร็จมนุษย์เนี่ยจะอายุลดลงอีกเหลือสิปีวิธีสังเกตก็คือผู้เจ้าบอกหญิงอายุหปีจะมีบุตรมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้าทุกคนจะมีอาวุธในมือฆ่ากันเหลากับเนื้อกับปลาแล้วจะเกิดเจ็วันฆ่ากันตายตลอดทั้งโลกนะลงเหลือคนอีกเล็กน้อยฟื้นฟูสินทำขึ้นมาใหม่มนุษย์อายุยืนขึ้นถึงแปดหมื่นปีครั้งหนึ่งผู้เจ้านำว่าไม่แต่ยาจะมาตัดสลูนั้นเราจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยแปดหมื่นลงเหลือสิบขึ้นไปแปดหมื่นะเป็นเคอร์ฟเลยนะตรงตรงนี้ผมเ อ, อ <c oughs> <c oughs> ตอนที่ตอนที่ยุคมนุษย์เสื่อมนะฮะก็มนุษย์อายุน้อยลงตอนนี้ปรากฏว่าในในช่วงเวในช่วงเวลานี้ปรากฏว่าวันนี้คำนิยามฮะ definition ของบอกว่าคนสูงวัยต้นนะฮะก็คือ6ถึง80นั่นก็หมายถึงนั่นก็หมายความว่าคนสูงวัยปลายก็คือแปดสิเอ็ขึ้นก็แสดงว่าในในในพุทธกาลก็ชีวิตของมนุษย์100อปีเพราะพระพุทธเจ้าร้อยแปดพรรษา ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามนุษย์ตอนนี้มีอายุร้อยยีอปีถึงร้อิก็แสดงว่าพูทศาสนาหรือสังคมเจริญขึ้นหรือ ย, ยังไงนะฮะมันจะเหมือนกับเหมือนกับเล่นหุ้นนะน้อยโยมนะห <า S 1> ุ้หมือนกำลังตกนะแต่มันก็มีเดชขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึน่งแล้วก็ลงเดขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ลงอย่างเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้มันใช่ตอนนี้ในในความเห็นผมมีความเห็นว่าโอเคหลังหลังอึ่งพุทธการศาสนาจะเริ่มเสื่อมแล้วเป็นไปได้เพาะว่าพุทธการเนี่ยไม่มีไม่ใช่พุทธวจนะ ผู้เจ้าไม่เคยตัดเรื่อง 5,000 ปีเพราะนั้นใครพูดเรื่อง 5,000 ปีหรือถึงพุทธการแสดงว่าเปเอาอัตกระถามาพูดอา่าก็แปลว่าแสดงว่าในของผู้ในยุคตะขาตโทษนี่อาจจะอาจจะมีมากกว่านั้นแหละถูกต้องใช่ใช่ผู้เจ้าจะใช้คําว่าดับไดมัคมีองค์แปดเนี่ย ย, ยังมีอยู่ในโลกดับนั้นยังมีผู้ศาสนาก็จะเป็นหมื่นปีก็ได้เป็นหลายหมื่นปีนอาจจะไม่ถึง 5,000 ก็ได้แล้วแต่เรารักษาคําพระศาสดาเอาไว้ แล้วตอนนี้ในเมื่อกี้ที่เมื่อกี้พระงคุณเจ้า บ, บอกว่าในยุค ข, ของยุคภระศรีอารยเมตย์ตายเน่ยมนุษย์อายุ8ป0หมื่่พปีแปดแสนปีแปดหมืปีแต่ปรากฏว่าในหนังสือทั่วไปก็จะบอกว่าในยุค ข, ของพระศรีอาร์เนี่ยจะมีแค่แปดพันปีตอนนี่ถ้าเกิดมีแปดพปีแต่มนุษย์อายุ8ปด0 0ื่0 0ี่ปีก็แสดงว่ามีมากกว่าในยุคก็แสดงว่าเหมือนกับตัวเลขก็ไม่ตรงกันถูกต้องตัวเลขนั้นเป็นอัตคาถาแน่นอนนะก็แสดงว่ามีมากกว่าแ0 0พปี อะไรมากกว่า 8,000 ในยุคของพระศรีอรยยะเมตไตก็ต้องมีต้องมีมากกว่า 8,000 ปี 80,000 ปีเยอคือในยุคของคือที่ผ่านมาก็จะมีการบอกว่าอายุตถาคตมีมีช่วงระยะเวลา 5,000 ปีแล้วก็ในยุคของพระศรีอริยะเมตตรมีช่วงอายุประมาณ 8,000 ปีไม่มีไม่มีไม่ใช่แต่นีเป็นอัตกะนเหมือนกันนั่นคำพระศาสนาจะขัดกันเองไม่ได้นั้นเวลาตำลายกตำลาใดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องอ้างบาลีสยามรัตตลอดอย่อง ไม่เอาตำลาอื่นนะเอาตำลานี้ตำลาเดียวเพราะว่าตำลาอื่นเนี่ยถ้าไม่ใช่หลักการว่าพุทธวจนะอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนจะไปหยิบคำพีวิสุทธิมักมาบ้างคมภีนั้นคำพีนี้มาบ้างนะต่อกันไปต่อมาแล้วคำสาวกมันจะขัดกันเองนะแล้วก็ขัดกับคำพระาศาสดาด้วยเพราะความไม่ใช่สัพพัญยูของสาวก น, นะแล้วก็คำถามต่อไปในในใ น, ในพัทธกัพเนี่ยก็มีพระพ อ, องค์ แล้วก็เในใ น, ในการทุกครั้งที่มีพระโพธิสัตว์มาเกิดแผ่นดินจะหวัน่นจะหวั่นไหวสะเทือนทุกครั้งไปการหวั่นการหวั่นไหวครั้งใหญ่ของแผ่นดินผิดแปลกไปจากแผ่นดินที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติอเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือหมายถึงว่าแผ่นดินมีการล่มสลายแล้วตรงนั้นก็จะเกิดรัตนบัลลังก์ที่มีการเกิดพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาอันนี้ข้อที่จริงเน้นอ๋อไม่ใช่พระเจ้าตัดไว้ในจากพระโอร์เนี่ยแค่ว่า การเกิดการตรัสรู้การปฎิญญาภานของผู้เจ้าเนี่ยจะมีแผ่นดินไหวเท่านั้นและบัญญัติเหตุในการแผ่นดินไหวเนี่ยแปดประการตัดไว้กับพระอานนท์นะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการเติมขึ้นน ะ, ะผู้เจ้าบอกแค่ว่าจะมีแผ่นดินไหวเท่านั้นเนะนี่ยเวลาเราศึกษาอัตตราฐาแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเ้าเติมตรงไหนเมื่อไหร่เราก็เลยได้ข้อมูลผิดนะแฝงอยู่เป็นระยะระยะระย ะ, ระยะตลอดนะผู้เจ้าจึงตัดเลยบอกว่า คำที่แต่งใหม่หรือคำสาวกอย่าไปอ่านอย่าไปศึกษานะในในในในหนังสือเล่มนี้บอกว่าในพัทธกับมีจะมีเวลาระยะเวลา236ล้านปีตอนปัจจุบันร่วงเลยไหมแล้ว151ล้านปีนะฮะการคำนายตรงนี้ไม่ไม่มีผู้เจ้าจะใช้คำว่ากับเป็นกับใช่ใช่อีกนิดนี่แล้วก็เออแล้วก็ในในในในนิมิตอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ากล่าวคืน เมื่อการ อ, อสาพของโลกในศาสนาที่ต่างๆทั่วไปจะสลายหมดรัตนะบัลลังก์ใต้ล่มพระมหาโพธิที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จะสลายไปด้วยและขั้นเมื่อเกิดโลกาพิวัตขึ้นมาใหม่ก็จะเกิดพัฒนาขึ้นมาเป็นรัตนะบัลลังก์เนี่ยอย่างคําพูดพวกเนี้โยมถ้าไม่ใช่คําพระศาสดาเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นคําที่แต่งใหมอ่อาตมาฟังแล้วก็คือเป็นคําแต่งใหม่อจบคาถามครับใช่ไม่มีพวกรัตนะบัลลังก์อะไรพวกนี้ไม่มีมเนี่ยเพราะนั้นถ้าศึกษาคําแต่งมันจะปวดหัวโยมนะ <c oughs> ครับกับเรียนถามนะครับพระพุทธเจ้าตัดเรื่องกับในเรื่องของการนับอายุในรเรื่องนะของกับอะครับเรื่องของเวลาการนะเวลาเนี่ยนะครับเป็นคําปรัดของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับเป็นอยู่เป็นแล้วในส่วนของอการนับอย่างที่ว่าเหมือนกับภูเข า, ามีความกว้างหนึ่งโยธยาวหนึ่งโยธาวหนึ่งโยธสูงหนึ่งโยชหนึ่งรปีมนุษย์มีเทวดามาปรัด โดยผ้าบางหนึ่งครั้งจนลาบเรียบเท่ากับหนึ่งกับอันนี้เป็นพุทธวจนะใช่ไหมครับเป็นอยู่ครับผมก็คือผู้เจ้าอธิบายเรื่องความนานของกลับหนึ่งเนี่ยนานมากก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยนานมากนะน้ําตาที่เคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่นะเลือดที่เคยไหลจากคอเธอเนี่ยเพราะเธอเคยถูกตัดคอเนี่ยก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งส บอกว่าเธอเคยถูกตัดคอเพราะอะไรเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะไก่ไก่สุกรช้างโคมาแล้วถ้าเธอเคยเห็นคนพิการเนี่ยก็ไม่ต้องไปไปว่าอะไรเขาหรอกเพราะเธอก็เคยพิการมาแล้วตลอดการยาวนานนะเห็นคนร่ํารวยก็ไม่ต้องอิจฉาเพราะเธอก็เคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนานนะเธอเคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายพระเจ้าอธิบายเพื่อให้ ร, รู้ว่าสังสารวัฏเนี่ยมันยาวนานและเธอก็เคยรวยเคยจนเคย พิการเคยดีเคยไม่ดีมาแล้วหมดนะเพื่อต้องการให้เบื่อจากสังสารวัตแล้วเข้ามรรผลนิพพานคือที่ที่ไม่ตายอย่างนี้ถ้าได้การเกิดจะได้การตายมาด้วยนั้นการเกิดไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรมไม่ดีหมดพระศาสนาจึงบอกว่าพบแม้ชั่วรัตนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดอุจจาระปัสสาวะเปื้อนเรานิดเดียวก็น่ารังเกียจต้องรีบล้างการเกิดแม้นิดเดียวก็น่ารังเกียจเพราะมันจะตามมาด้วยแก่และตาย อีอิดน่ครับ<อ>ปรดีผมเปรียบเทียบกับว่าทางสรีระโลกสรีระอของโลกก็คือทางหลักวิทยาศาสตร์<อ>ก็คือห<อ>มายถึงว่าเมื่อ250ล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเคลื่อนของเปลือกโลกครั้งหนึ่ง<อ><อ>และทุก150 120 1ประมาณตั้ง125ล้านปีก็เคลื่อนมาเพราะนั้น เก่อนหน้าในตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือในรูปที่เห็นเนี่ยฮะก็คือ2องยหสปี2อง้อยห้าิบล้านปีร้อยี่ห้าล้านปีและโลกปัจจุบันแล้วก็ไปโลกอีกร้อยสิบห้าล้านหรือร้อยสมอะไรเงี้ยแล้วก็อีก2องห้าิบล้านแสดงว่าเปลิกเปิกโลกมีการเคลื่อนตอลอดเวลานั่นก็หมายความว่ามันก็เกิดการเวียนว่ายตันเกิดตามตามหลักทุตทางของเราแล่วก็หมายความว่าตรงนั้นก็เกิดจะเกิดพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะอาจจะตรงกับตรงนั้นตรงเนี้ยอะไรเงี้ยหรือเมื่อหกสิบห้าล้านปีไดโนเสาร์มีโลกเราถูก ดูอุกกาบ า, าตวิ่งชนในดวงเสารตายทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ย น, น, นั่นก็นั่นก็จะเกิดสัตว์เซียนแล้วฝัาจะพัฒนามาเป็นมนุษย์ก็ก็ต้องใช้เวลาก็จะเกิดพระพุท ธ, ทธเจ้าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ประเทเปรียบเทียบนี้พอจะได้ไหมได้โยมการเวียนว่ายใจเกิดเนี่ยมันยาวนานมากแม้แต่ระบบของโลกเนี่ยผู้เจ้ายังพยากรณ์ไว้เลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีดวงอาทิตย์ถึงเจ็ดดวงนะแล้วในที่สุดผิวโลกจะละลายหมดนะแล้วพยากรณ์อวกาศเนี่ยว่า ที่สุดของแสงดวงอาทิตย์เนี่ยส่องไปได้ไกลเท่าไหรทวีขึ้นไปอีกพันเท่าจะเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุเพราะนั้นผู้เจ้าเนี่ยสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องจริงๆนะแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะตรวจสอบเห็นได้อย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับกาแล็กซี่เนี่ยก็จะเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างล่าสุดก็จะมีมีภาพของกาแล็กซี่ที่ชนกันนะซึ่งกาแล็กซี่ที่ชนกันนี้จะห่างจากโลกเราไป 1. นึ่หนึ่งหล้านปีแสงนะ อันนี้เป็นภาพที่องค์การนาซ่าส่งมานะ <c oughs> จากกล้องโทรทัศน์ที่ส่งออกไปในจักรวาลนะเพราะนั้นสิ่งที่ผู้เจ้าบัญญัติว่าทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนมีการเคลื่อนไหวหมดเนี่ยมันเป็นจริงตั้งแต่ระบบที่ใหญ่ที่สุดจนทั่งระบบที่เล็กที่สุดเป็นอนูเป็นอะตอมก็มีการเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งนะก็คือ ดวงอาทิตย์มีเจดวงหลังจากที่โลกเราล่มสลายาหลังหลังจากนี้คือผู้เจ้าจะพยากรณ์อย่างนี้อย่างปี2012อะไรที่ว่าโลกจะแตกเลยไม่ต้องไปกังวลยังไม่แตกง่ายนะพระศาสดา บ, บอกว่าอีกหลายแสนปีจะมียุคฝนแรงนะพืชพันธุ์ธัญญาหารจะตายหมดโลกนะแล้วจากนั้นอีกการนานไกลแสดงว่าเลยหลายแสนปีจะมีดวงที่ดวงที่สองปรากฏ พวกพุ่ยนองคลองบึงจะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงที่3จะปรากฏแม่น้ําจะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงที่4ปรากฏเนี่ยมหาสะต้นน้ําของแม่น้ําจะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงที่5ปรากฏทะเลจะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงที่6ปรากฏแผ่นดินจะละอุดและอีกการนานไกลดวงที่7ปรากฏเนี่ยมหาปฏภีละลายผู้เจ้าจะขโมวดไปที่ความไม่เที่ยงในสังขาร บอกว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วต่อความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายซึ่งไม่มีความเที่ยงเลยใครเล่าจะรู้ได้ว่ามหาปัตตพีอันยิ่งใหญ่นี้จะละลายไปได้นะนอกจากผู้มีญาณอย่างรู้ที่เห็นแล้วนะก็ะสแสดงว่าในในในจั ก, กรวาลอื่นบีสิ่งมีชีวิตอยู่เออก็น่าจะมีเยอะเ <laughs> พราะว่าผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติมนุษย์ไว้หลายกลุ่มเรียกว่ามนุษย์ในอุตกลกรุทวีปนะ จะมีมนุษย์ประเภทที่ร้อยปีตายมวนเดียวไม่ตายในระหว่างอย่างนี้ก็มีผูเจ้าจะเปรียบเทียบกับมนุษย์ในชมพูทวีปอุตลรลกุลุทวีปกับดาวดึงเนี่ยอันไหนดีอันไหนเลิศกว่ากันนะต่างคนต่างมีดีของตัวเองนะดูก่อนพิสูุทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตลรลกุลุทวีปประเสริฐกว่าเทวดาชั้นดาวดึง และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะ3 า, าประการเป็นชไหนคือไม่มีทุกข์ไม่มีความหวงแหนมีอายุแน่นอนนะนี่คือมนุษย์พวกนี้ของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ในชมพูทวีปนะนั้นมนุษย์ก็ยังแบ่งเป็นหลายกลุ่มอีกเหมือนกันนะมนุษย์ชาวอุตุลักกรุตทวีปประเสริฐกว่าเทวดาชั้นดาะดึงและมนุษย์ชาวชมพูทวีป ด, ด้วยฐานะ3 า, าประการคืออะไรนะอา่าอย่างนี้ก็จะอธิบายไว้หมด นะดาวดึงประเสริฐกว่าคืออายุทิปวันละทิพย์สุกทิพย์อย่างนี้ <c oughs> เรื่องจำนวนพระพุทธเจ้าเนี่ย ก, กำลังรวบรวมให้ส่ว <c oughs> นะตอนนี้ก็รวบรวมเรื่องของภพภูมิต่างๆนะว่าภพที่พระศาสดาบัญญัติไว้เนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างเนะพราะที่เขาทำ แผนผังภพภูมิที่ติดตามวัด ต, ต่างๆเนี่ยยังเป็นอัตกาถาอยู่เนี่ยยังไม่ใช่พู้ชวจนะกำลังลื้อใหม่หลายเรื่องเหมือนกันหมายความว่ า, าปฏิบตพภพภูมิอาจจะยังไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช ใช่ไม่ใช่ผู้จนะตอนตัวนี้ในคำว่าพบภูมิหมายถึงว่าในอีกมิติหนึ่งก็หมายความว่าโอเคพบภูมินั้นอาจจะอยู่ในเพราะว่าความหมายของเขาว่าสามิติสี่มิติเราอยู่ในโลกบนของสามิติอีกสามิติสี่มิติห้ามิติที่เรามองไม่เห็นก็คืออีกภูมินึงซึ่งอาจจะอยู่ในที่อยู่ที่เดียวกับโลกมนุษย์อันนั้นเป็นเป็นเป็นข้อที่จริงคือพบเนี่ยผู้เจ้าบอกพบมนุษย์ก็ใหญ่ไม่มีประมาณนะซึ่งก็ถ้าใครลองดูให้ดูสารคดีอันหนึ่ง ว่าใหญ่ไม่มีประมาณอย่างผู้เจ้าบอกจริงไหมนะสารคดีนี้ของฝรั่งเขาทำมาเนี่ยเป็นการอธิบายถึงระบบสุริยะ <c oughs> กาแล็กซี่ต่างๆนะมันกว้างใหญ่มาก <c oughs> ยมลองดูสารคดีสั้นๆตรงนี้นะ <c oughs> เขาจะให้ดูตั้งแต่ดึงภาพตั้งแต่มนุษย์เนี่ยแล้วดึงออกไปจนเห็นโลก เห็นระบบสุริยะเห็นจักรวาลเห็นกาแล็กซี่หลายๆกาแล็กซี่นะแล้วจะเปรียบเทียบตั้งแต่ในครั้งกุธการมีเทวดามาบอกว่าเขาเคยขอไปตลอดทั้งร้อยปีจนตายเนี่ยยังไม่สุดขอบจักรวาลเลยนะ <c oughs> And our field of view will be ten times wider. This square is ten meters wide, and in ten seconds the next square will be ten times as wide. Our picture will center on the picnickers, even after they've been lost to sight. One hundred meters wide, the distance a man can run in ten seconds. Cars crowd the highway. Powerboats lie at their docks. The colorful bleachers are soldiers' field. This square is a kilometer wide, one thousand meters, the distance a racing car can travel in ten seconds. aucune blending LEY เราดึงให้สูงไปเรื่อ a ๆถึงหมื่นเมตรนะ s สนเมตร อันนี้สิบล้านเมตรเริ่มเห็นโลกของเรา <Yeah. S 1> แล้วก็ดวงดาวตา่างๆหนึ่ง e ้อยล้านเมตรเริ่มเห็นวงโครจรของระบบสุริยะหน <Yeah. S 2> ึ่งพันล้านเมตร Now we mark a small part of the path in which the earth moves about the sun. Now the orbital paths of the neighbor planets. Venus and Mars then Mercury. Entering our field of view in our solar system, the sun. ในระบบสุริยะของเรากลบและ planets, <c oughs> swinging wide in their big orbits. t h ้านล้าน And o w o n that orbit belongs to Pluto. พันล้า e a ้านเมื e อเริ่มเห็นกลุ่ Water o า h ต r าง kindergarten ี t เราเห s นบนท้องฟ้า หนึ่งปีแสงละร้ t ยป s แสงเริ่มเห็นดาวที่เป็นแบบดวงอาทิตย์เนี่ยดาวเลิกนะจานวนมากม า, มายมหาศาลปีแสง 1,000 ปีแสงถ้าโยมเจอพระสูตรจะเห็นว่าโลหิตาเทวบุตรเนี่ยสมัยเป็นฤษีเหาะไปดูริสตลอดทั้งร้อยปีไม่รู้หลุดแชลล์ซี่ไปหรือยังนะตายคาเหาะเลยไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมาฟังธรรมพระาศาสดานะแล้วก็ชมพระาศาสดาะวะ่าโอ้โหที่ผู้เจ้าบอกว่าที่สุดของโลกเนี่ยไม่มีเนะี่ยถูกต้องเลยอันนี้จะเป็นแกลลซี่และจานวนมากมาย เน่ล้านปีแสงสิล้านปีแสงเนี่ยจำนวนจุดๆนี่เป็นกาแล็กซี่อีกมากมายมหาศาลรอยล้านปีแสงน่ This lonely scene. t h e i s is like dust. Is what most of space looks like. This emptiness is normal. The richness of our own neighborhood is the exception. Ani t i ế e theo, anh ấy sẽ tiến u hơn nữa. y tiến s â hơn nữa. n h ấy sẽ tiến sâu n nữa. Anh ấy t hơn nữa. a n t i n h a h s t i s u a y t n h e a n y tiến s n a Anh t i o n s e n a s t i ế e h n a a h t i n s n a c t i v h a n i s n a t a y t h n a n t i h a tiến a t i n a t i ế n a t i a t i a n y t i n a t i y A rhythm that will continue all the way into our next goal—a proton in the nucleus of a carbon atom beneath the skin on the hand of a sleeping man at the picnic. Ten to the ninth meters, ten to the eighth, seven, six, five, four, three. ก็จะเจาะเข้าไปในผิวของคนซึ่งจริงๆแล้วที่พระศาสดาบอกว่าเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีของใคร In a few seconds, w e l be entering the skin, crossing layer after layer from the outermost dead cells into a tiny blood vessel within. Skin layers vanish in turn: an outer layer of cells, f e l t h y collagen. The capillary containing red blood cells and a roughly lymphocyte. s is g i n g into the white c e l We enter the white cell. Among its vital organelles, the poorest one is the n u c e s ขยายเข้าไปก็จะไปเจอดีเอ็นเอเจาะเข้าไปในดีเอ็นเออีก l e We focus on one commonplace group of three hydrogen atoms bonded by electrical forces to a carbon atom. Four electrons make up the outer shell of the carbon itself. They appear in quantum motion as a swarm of shimmering points. a the m s w e i n u t e s We f d r e a s w e to r s We find ourselves right among t h o s w e o to e r w d l t a n h e atoms. Now we come t r o i n e d r e l e t a the atoms. c t r o n s i n i g h t a t e t c t i n r g s c e w n r t a m e a s w e c t i n r g c e We n d r e t a n t e o w r u We d o e t n the atoms. t t r c i n g u c e n o e v r a n a s w e e t i n t e r n u e o r s v a n a s c t i n n e r s v a s c t i n n e r s a c e อันนี้คือล่าสุดที่เขาเจอนะสิบยกกำลังลบสิบสองเมตรโปรโตอนอิเล็กตรอนนิวตรอ น, นเคลื่อนไหวอยู่ตลอดและเห็นว่าปัจจุบันนี้ก็เจอเล็กลงไปอีกแล้ว Sabes, แต่เจอยังไงก็ยังไม่ถึงนิพพานนะนิพพานละเอียดที่ส mm ุด hmm. ทุกอย่างเคลื่อนไหวหมดเลยไม่มีอะไรอยู่นิ่งพระศาสดาเลยบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นบอกกรรมเก่าคือกายนี้เนี่ย อ, อ, อ, <S <S 1> <S 1> อันบุคคลทั้งหลายเพิงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะมันมีเหตุปรุงแต่งขึ้นมามีเหตุทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นและมีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้เท่านั้นเองให้มองเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาตินะอันนี้คือพระสูตรนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นนะกายเนี้ยคือกรรมเก่ากรรมเก่าคือกายนี้อันเธอทั้งหลายเพึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุคือเหตุมันปรุงแต่งขึ้นมา เป็นสิ่งที่เหตุเนี่ยทาให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาและเป็นสิ่งที่มีมีความรู้สึกต่างอารมณ์ได้นะในธรรมะชั้นลึกแล้วไม่มีใครทำกรรมไม่มีใครรับกรรมเป็นเพียงธาตามธรรมชาติเท่านั้นมิจฉาทิฏฐิสี่อย่างให้เราทราบในเรื่องของกรรมที่ชาวพุทธมักจะเข้าใจผิดนะ อย่างที่หนึ่งก็คือคิดว่ากรรมเกิดจากสิ่งอื่นหรือผู้อื่นบันดาลพระตถาคตบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งสงกรรมเกิดจากตนเองบันดาลก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่สองตอนเองก็ไม่มีเพราะเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติผู้อื่นก็ไม่มีนะเวลาเข้าใจผิดในสองมิจฉาทิฏฐินี้อย่างมิจฉาทิฏฐิแบบแรกจึงมีการอ้อนวอนบนบานสารกล่าวเพราะคิดว่ามีอะไรดนบันดาลอะไรได้แต่จริงๆแล้วพระเจ้าบอกว่าเป็นกรรมของเธอ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ส่งผลไม่ใช่ใครเป็นผู้คุ้มกบทันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาได้อย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธต้องปรับความเห็นกันใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าโสดาบันจะต้องละมิจฉาทิฏฐิสอย่างนี้ได้อย่างที่สมเนี่ยคิดว่ากรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างที่4ี่คิดว่ากรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุสี่ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเลยนะ มีใครสงสัยแง่มุมไหนอีกบ้างวันนี้มาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัสนะนะถามได้นะโยมเชิญละไรอยขอไมค์ไปข้างหลังนิดหนึ่งเนาะอ่ะาไมค์ส่งไปแล้วย่งอ่าฮะค่ะก็คงต้องขอเรียน ทราบแหล่งข้อมูลที่ท่านได้กรุณาอาานำแสดงวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะของเมืเ่อคร์ค่ะาาว่าว่าเอามาจากที่ไหนเผื่อว่าจะได้ไปศึกษาเนี้เพิ่มเพิ่มเติมขึ้นอ๋อเอามาจากที่ไหนใช่ไหมท่านมาร์กพอบอกได้ไหม ขึ no. <laughs> uh ้นจอให้แ huh. ล <c oughs> oh, uh ้วเนาะอือฮอ่าฮะอ๋อฮะก็าบาลีอาอ๋ออ๋อ เราควรจะอะไรนะมันอ๋ออันนี้ใช้วิธีการตรวจสอบแบบโลกุตละการตรวจสอบจะมีสองแบบตรวจสอบแบบหลักฐานทางโลกนะเพราะฉะนั้นในหลักฐานทางโลกนี่คือหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกที่ไม่มีในที่ใดอีกแล้วนะและข้อมูลก็เชื่อมตรงตรงกันหมดการตรวจสอบอย่างที่สองตรวจสอบโดยหลักโล ก, กุตละก็คือ สัจจกความจริงนี้สามารถตรวจได้ด้วยตนเองทุกคนนะเช่นว่าเราจะตรวจสายปฏิจจสุบานนะโยมเคยไปเดินห้างใช่ไหมโยมเคยซื้อเสื้อผ้ามาใส่ใช่ไืมทำไมเสื้อผ้าในห้างมีตั้งหลายร้อยตัวไม่หยิบโยมอยากหยิบเสื้อตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าชอบใช่ไมโยมว่าเขาโกหกไหมไม่โกหกเพราะโยมก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหม มีใครซื้อเสื้อไม่ชอบมาใส่ไหมเกียเกียร์เสื้อตัวนี้ซื้อมาใส่น่ะใช่ไหมไม่มีนี่คือความเป็นปัจจตังธรรมะพระศาสดาเป็นปัจจตังตรวจรู้ได้เฉพาะตนนะคือแต่ละคนเนี่ยตรวจเองได้นะไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาพระศาสดา บ, บอกในปฏิจจสุบัติว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพอใจต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาใช่ไหม แล้วถ้าถามโยมว่าก่อนโยมพอใจเนี่ยอะไรเกิดก่อนนึกออกไหมอ่าก่อนพอใจเสื้อเนี่ยนะเป็นเพราะอะไรเพราะมีธรรมชาติอะไรจริงพอใจเสื้อตัวนี้นึกออกมา ม, มีสีสันอ่าสีสันนั่นถูกเราจะรู้ได้ยังไง ร, รู้สีได้ยังไงเราเห็นถูกต้องผู้เจ้าเรียกผัสสะอ่า นั้นผู้เจ้าบัญญัติว่าต้องมีภาษะเป็นเหตุจึงมีเวทนามีเวทนาเป็นเหตุจึงมีตัณหาเห็นไะมตรงมะตรงเป๊ะเห็นนะมีใครเดินหลับตาซื้อเสื้อบ้างหมไม่มีน ะ, ะภาษาทางตาต้องมาก่อนถ้าภาษาทางหูได้ยินปั๊บโอ้ซีดีแผ่นนี้เข้าท่าโยมก็พอใจก็ไปซื้อใช่ไหมอ่าอย่างนี้โยมจ่ายเงินซื้อมาปั๊บก็ได้เสื้อมา เกิดอุปทานและความยึดวะ่ะนี่เสื้อฉันแต่ก่อนเป็นเสื้อห้างใช่อืมเสื้อห้างหายโยมไม่ทุกนะเสื้อโยมหายโยมทุกใช่ไหมอ่าพัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานตรงไหมตรงปฏิจจสุบาทถ้าโยมไปดูตรงนี้พระเจ้าตัดมาสองพันกว่าปีแล้วพัสสะแล้วจะเกิดเวทนาจะเกิดตัณหาจะเกิดอุปทานเห็นไหมตรวจได้ไง่นี่คือลักษณะการตรวจที่เป็นปัจจตัง เป็นสิกขีผู้โตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาและเมื่อ 2,000 กว่าปีอาการจิตมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ผ่านมา 2,000 กว่าปีมนุษย์ก็ยังมีอาการจิตอย่างนี้เหมือนเดิมนี่เรียกว่าเป็นอาการลิกโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาเข้าใจไหมเนี่ยพอตัวอย่างนี้ปุ๊บถ้าแต่งใหม่แต่งเกินเติมแต่งรู้ได้เลยว่ามันจะขัดกันและมันไม่จริงและเราจะขัดง้างได้แต่พระศาสดาบอกว่าคําของตถาคตร ไม่มีสมณะพรามมันพรมผู้รู้ใดๆคัดง้างหรือติดเตียนได้เลยนะและเป็นเรื่องเดียวที่ผู้เจ้ายืนยันว่าไม่มีผู้รู้ใดๆในโลกรู้เรื่องนี้นะถ้าจะสรนเสริญตถาคตให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงให้สรนเสริญว่าพระตถาคตรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนะนี่เชิญโยมข้างหลังขอไหม่ขอใหม่ให้ข้างหลังนีงนะ่มีมหมใหม่อ่านนะอ่า โอกาสค่ะอยากอยากให้ถ้าอาจารย์ช่วยขยายความอสายปฏิจจสมุปบาทนี้นะคะอจากสังขารนะคะไปวิญญาณค่ะจากสังขารไปวิญญาณใช่ไหมท่อนนี้คือคือเป็นท่อนที่เข้าใจได้ยากนะในความสึกของตัวเองส่วนอื่นก็เข้าใจได้ดีแล้วอยากให้ท่านขยายความให้นิดนึงค่ะสังขารตัวนี้ใช่ไหมไปวิญญาณตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมอ่า โอเคจริงๆสังขารตัวนี้ก็คือตัวนามรูปสังขารตัวนี้คือตัวนามรูปผู้เจ้าเปลี่ยนคําในพระสูตรนี้เพื่อจะโยงไปถึงสังขารทั้งหลายและอวิชชานะถ้าเราไปดูปฏิจจสุบาทอีกแบบหนึง่งจะสุดแค่วิญญาณกับ น, นามรูปคือตัวนี้เห็นนะเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณยันกันอยู่อย่างนี้เพราะว่าสองธรรมชาตินี้อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้น การเกิดของวิญญาณกับนามรูปไม่ใช่เหมือนกับลูกคลอดมาจากท้องแม่ไม่ใช่แต่เป็นการกระทบกันพระศาสดาจะอุปมาเปรียบเหมือนแสงกับฉากนะพระองค์บอกสาวกว่ามีเรือนยอดหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าแสงแดดส่องมาแล้วเนี่ยแสงแดดจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกผู้เจ้าบอกถูกต้องผู้เจ้าบอกว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงปรากฏที่ไหนสาวกบอกว่าแสงปรากฏที่ดิน ผูเจ้าบอกถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏผู้เจ้าบอกถูกต้องแสงเปรียบเหมือนวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณแสงมีเพราะฉากฉากมีเพราะแสงเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้นี่คือการอธิบายการเกิดของวิญญาณกับ น, นามรูปคือปฏิจจสุบาสายนี้ที่ผู้เจ้าไม่ไม่ยงไปถึงอวิชานะ จากนั้นจะมีปฏิจจสุบาีอีกสายที่โยงไปถึงอวิชชาซึ่งพระองค์จะเปลี่ยนนามรูปตรงนี้เป็นสังขารเห็นนะถ้าโยมเอามาสวมปับ๊บจะเข้ากันพอดีนี่คือความสอดรับกันของคําพระศาสดาและถ้าพระองค์จะแตกลูกธรรมะไปพระองค์จะเปลี่ยนชื่อปั๊บนิดหนึ่งแล้วก็แตกลูกธรรมะออกไปตัวสังขารทั้งหลายนี้คือตัววิญญาณกับนามรูปคือระบบสังสารวัตทั้งหมดระบบสังคตธรรมทั้งหมดมีเพราะไม่รู้นั่นเองคืออวิชชา ถ้ารู้แล้วก็อยู่ในวิมุตติถ้าไม่รู้สังสารวัตรจึงเกิดขึ้นนะเมื่อสังสารวัตเกิดขึ้นแล้วเพราะมีอุปทานเข้ามายึดแล้วเนี่ยนะการจะอธิบายต่อไปต้องแยกระบบวิญญาณกับ น, นามรูปออกจากกันเพราะธรรมชาตินี้มันทํางานกันอย่างนี้นะคือวิญญาณเนี่ยวิญญาณจะบนเข้าไปทํางานในรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้คือนามรูปนะพระเจ้าจะเรียกว่าวิญญาณทิติฐานที่ตั้งของวิญญาณ จะมีรูปเวทนาสัญญาสังขาร น, นะแล้ววิญญาณเข้าไปรับรู้สี่ธาตุนี้เข้าใจนะ ะ, ะเชิญอย่างขอใหม่ข้างหน้านิดหนึ่งน ะ, อะขอขอนุญาตมีคถามผ้าจา์ค่ะคือเวลาเรานั่งสมาธิแล้วหลังจากนั่งแล้วนะคะเราต้องแผ่เมตตาให้กับสิ่งต่างๆไหมคะ <c oughs> แผ่ก็ได้ไม่แผ่ก็ได้นะแล้วแต่แผ่มีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์นะประโยชน์ของการแผ่เมตตาสัทยธรรมก็สัยยทสธยธรรมประโยชน์การแผ่เมตตาเนี่ยผู้เจ้าจะตัดไว้นะในหนังสือสัยยทยธรรมอัตมาธรรมให้โยมแล้วนะพระองค์บอกมีสิประการหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทำกาลละเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมบังเกิดในพรหมโลกนี่คือประโยชน์ของการแผ่เมตตานะแต่โยมไม่ทําเลยก็ได้นะและถ้าโยมจะเจริญเมตตาที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นแล้วพระศาสดา บ, บอกว่าเธอต้องรู้ว่า เมตานั้นก็เป็นทำเครื่องปุงแต่งยอมต้องเห็นการเกิดการดับของการเจริญเมตตาภาวนามุทิตาอุเบกขาทั้งหมดอย่างนี้ถึงจะหลุดพ้นได้คือต้องเอาอาริสสัตสีเนี่ยเข้าไปจับทุกเรื่องนะคือต้องเห็นสมุทัยเหตุเกิดและเห็นนิโรธคือความดับไม่งั้นก็หลุดพ้นไม่ได้นะต้องเห็นอริยสัตสีก่อนใช่ไหมคะอ่าอาริยสัตสีนะขอขอนุญาตครับวิญญาณมีจริงไหมคะ วิญญาณก็ผู้เจ้าก็บัญญัติไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิ ญ, ญญาณคือผู้รู้มีสีชื่อจิตมโนวิญญาณหรือวิชานาติแปลว่าผู้รู้แจ้งในอารมณ์นะคือวิญญาณนะคือคือมีปัญหาว่าเรานั่งสมาธิขณะที่เรานั่งจิตนิ่งแล้วเราจะสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ใช่ไหมคะนั่งสมาธิจิตนิ่งแล้ว่มีสิ่งเหล่านี้มารบกวนน ะ, ะมีสิ่งเหล่านี้มารบกวน<ะ><ะ>คืออะไรเนาะทําเสียงทําของตกทําอะไรอย่างเนี้ย จะไปสนใจโยมนั่งสมาธิโยมจะได้เห็นอะไรได้กลิ่นอะไรได้ยินอะไรก็ตามพระศาสด า, า, าบอกว่าอย่าลืมลมหายใจโยมลืมลมหายใจแล้วจิตจะส่งออกเรียกว่าโยมไม่สํารวมอินทรีย์ละนะต้องสํารวมจิตอยู่กับลมหายใจจิตรับรู้ได้ทีละเรื่องถ้าโยมกลับมารู้ลมหายใจภาพอื่นๆเสียงอื่นๆกลิ่นจะหมดไปทันทีนะเชนเนี่ยขออนุญาตครับใน ดูวิดีโอเมื่อกี้นี้ก็สงสัยเรื่องของรูปกับนามรูปกับนามทีนี้ว่าอย่างเราปฏิบัติเนี่ยคือมันจะมีรูปสี่พันห้าของใกล้ๆเนี่ยนะไม่พยายามเราจะพยายามที่จะดูว่าโอเคกายนี้ไม่ใช่ของเราอ่าเป็นความจำเป็นสำคัญแต่อยากจะรู้ด้วยด้วยการปฏิบัติของเราเองเนี่ยเราอยากจะแยกว่ารูปกับนามเนี่ยมันต่างกันยังไงมันอยู่ตรงไหนเหมือนกับชีวิตของเราเห็นการเกิดดับบ่อยๆไงโยม เมื่อเราจำได้อย่างนี้แล้วเราทำยังไงต่อไปผู้เจ้าให้นั่งรู้ลมหายใจขณะรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยโยมจิตรู้รู้ลมตลอดไหมแน่ใจหรือว่ารู้ลมตลอดมีหลงบ้างอ่าอาตมาให้นาทีเดียวก็หลุดแล้วนะอ่าปุ๊บเดี๋ยวไปคิดโน่นเดี๋ยวไปคิดนี่ใช่ไหมเพราะนั้นขณะที่โยมรู้ลมปับปป๊บเนี่ยจิตหลุดไปปั๊บเนี่ยนั่นคืออะไรลมดับลมดับก็คือรูปดับนั่นเองแล้วยมไปคิดอดีต คิดเพลินไปสักพักหนึ่งนาทีสองนาทียมดึงกลับมานามที่เกิดขึ้นก็ดับไปรูปก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นวิปัสสนาละเห็นการเกิดดับของรูปนามละแค่นั้นเองเยอะนั้นกิจสองอย่างที่ผู้เจ้าให้ทําคือหนึ่งจิตนิ่งรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วเห็นการเกิดดับพอแล้วแค่นี้แล้วที่ไปคิดเนี่ยจิตคิดหรือว่าเราคิดครับจิตคิดหรือเราคิดเราไม่มีนะจิตเป็นเราก็ไม่ใช่นะเวลาเวลาจิตเนี่ยนะ จากอารมณ์หนึ่งไปอีกอารมณ์นึงเนี่ยไม่ใช่จิตวิ่งจากอารมณ์นี้ตุ๊ดตุไปอารมณ์นี้นะแล้วเวลาดึงกลับมาไม่ใช่มันวิ่งวิ่งวิ่งกลับมานะเวลาจิตมีการมากันไปพระศ า, าสดาบอกจะมีการตายและมีการเกิดจิตดวงนึงจะดับจิตดวงใหม่จะเกิดแต่โยมจะดูไม่ทันและเราจะคิดว่าจิตเป็นเราซึ่งจริงๆแล้วจิตก็ไม่ใช่เราความเป็นเราไม่มีไม่มีในขันทั้งหน้า <laughs> ขันห้าเป็นระบบการทํางานของธรรมชาติไม่มีตัวใครของใครนะอืม เพราะนั้นจริงๆแล้วไม่มีใครคิดก็คือวิญญาณดับแล้ววิญญาณเกิดคนที่เข้าไปหลงวิญญาณนั่นแหละนะคือผู้ท่องเที่ยวในสังสารวัตรพระศาสดาเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเป็นผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตไม่ใช่วิญญาณท่องเที่ยวเพราะนั้นชาวพุทธมักจะพูดบทพันะผิดก็คือพูดว่าวิญญาณท่องเที่ยวไปในภพต่างๆซึ่งสาติเกวตตบุตร เคยพูดเรื่องนี้มาแล้วแล้วพระาศาสดาตําหนิบอกว่าเธอเป็นโมฆะบุรุษเธอยังพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่เพราะตถาคตไม่เคยสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะอืมนั้นถ้าเราเจอพระสูตรนี้พระเองก็ยังงงนะว่าเอ๊ะตกลงแล้ววิญญาณมันเป็นยังไงมันไม่ใช่เวียนว่ายตายเกิดหรอนะเพราะว่าวิญญาณเป็นธาตุตามธรรมชาติวิญญาณไม่ใช่ชีวิตที่จะไปเวียนเกิดเวียนตายในที่ไหน แต่วิญญาณมีการดับการเกิดอยู่ตลอดเวลาอุปมาเปรียบเหมือนอะไรฝนตกนี่พอดีเลยนะยมเห็นฟองน้ําที่ขึ้นบนผิวน้ำไหมเกิดดับเกิดดับยมนับไหวไหมเนี่ยแล้วถ้าตกในแม่น้ําในมหาสมุทรนับฟองน้ําไหวไหมไม่ไหวผู้เจ้าอุปมาวิญญาณอย่างนี้เกิดดับทั่วโลกาธาตุยุบยุ บ, ยบตลอดเวลาเลยนะผู้หลงผู้มีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในภพเนี่ย เป็นผู้ที่เข้าไปยึดถือวิญญาณว่าเป็นตัวเราเลยทําให้ท่องเที่ยวไปกับวิญญาณแต่วิญญาณไม่ได้ท่องเที่ยวไปวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับของมันเป็นธรรมชาติวิญญาณไม่ใช่ชีวิตต้องปรับความเห็นความเข้าใจใหม่หมดเลยจอมนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้โยมหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้หลุดจากขันห้าได้นะแล้วอะไรไปเกิดนะค ะ, ะนะ เ, เกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอะไรที่เขาพูดพูดกันอะคะ่ะ ผู้หลงผู้หลงไปยึดถือวิญญาณเมื่อผู้หลงยึดถือวิญญาณเป็นตัวมันแล้วเนี่ยมันจะเกิดตายไปพร้อมกับวิญญาณนะนั้นเวลาวิญญาณเกิดดับก็จะมีตัวเราเป็นเป็นวิญญาณไปเกิดดับในภพภูมินั้นแต่จริงๆแล้ววิญญาณไม่ใช่ของใครวิญญาณขนาดที่โยมไปรู้เรื่องใหม่เป็นวิญญาณดวงใหม่รู้เรื่องใหม่วิญญาณดวงใหม่กลับมารู้ลมเป็นวิญญาณดวงใหม่วิญญาณเกิดดับตลอดเวลาเลย พระศาสดาบอกว่า <c oughs> อาวิญญาณเนี่ยเรากล่าววิญญาณว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมคือเกิดเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้นะและพระองค์บอกว่าวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลานะวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาเลยนะอุตุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่มีทางรู้เลยว่าวิญ ญ, ญาณเกิดดับนะเพราะเกิดดับเร็วมากนะ เ, รเรียนถามพระอาจารย์นะคร Uh huh. อเออในบทสวดพาหุนเ อ, อการที่พ่อพุทธเจ้าปราบพญ า, ามารพาหุงไม่มีในพุทธวจนะไม่มีไ ม, ไม่มีแต่งขึ้นนะและ้วการกา ร, การเราพูดถึงการปราบพญามาร uh huh. อันนั้นก็ไม่มีจริงใช่ไหมครูเจ้าปราบมารมารของผู้เจ้าคืออะไรมารของผู้เจ้าคือหนึ่งมารคือความตายมารคือพวกอกุศลในจิตมารคือพวกเทวดาพรหมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้อ่า นั้นกลุ่มพวกนี้คือมาร น, นะและมารที่พระเจ้าใช้บ่อยคือมารคือมรณะคือความตายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการเอ่อการตอบถ้าเกิดว่าในเวลาเวลาพระเอ่อพระที่เทศทั่วไปสมมติก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องการเรื่องการปฏิทิภพผู้เอ่อผู้พระเจ้าจะสําเร็จได้ก็มีการ ม, มีเขาเรียกอะไรมี ม, มีมีมารมาผจญหรืออะไรประมาณมนั้ก็จะมีมตรงนี้เป็นกะเอ่อถ้าถ้าตรงเนี้ยฮะ ในความหมายตรงนั้นจริงๆนะอกุศลในจิตท่านไงนอกุศลในจิตของเราเองแล้วคําถามต่อไปก็คือในปัจจุบันเนี่ยมีการพูดเรื่องอกรรมเก่าวิบากกรรมอะไรประมาณนั้นนะฮะาาแล้วก็แล้วก็จะมีเรื่องมากก็เรื่องเอเรื่องทำแพ้งก็จะมีบินจานตามมาคนนี้เ อ, เอที่มีออกทีวีประจําประจําตอนนี้ม<ะ>ไม่มีเยอะไม่มีพระเจ้าไม่ไม่ไม่เคยบอกตรงนี้นะเพราะฉะนั้น <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีการพยากรณ์นี่มีผีเด็กตามเธอมาแล้นเนี่ยนะมีอย่างง้อนอย่างนี้เราก็ไปเอาวแล้วต้องไปแก้กันละต้องไปแก้การแก้โ น, น่นแก้นี่นะเดี๋ยวก็บอกมีเทวดาประจําตัวถ้าโยมไปเกิดเป็นเทวดาต้องมาวิ่งประจําตัวพวกญาติโยมนี่ไม่ต้องไปเกิดหรอกนะเสียเวลานะไม่ใช่หน้าที่เทวดาจะต้องมาเฝ้าโยมนะแตตอนนี้ในในบทสวดมนต์ทั่วไปก็จะบอกว่ามีเทวดาเอ่อทั้งบนสวรรค์บนเบอร์บนดินบนต้นไม้าตามทุกอย่างอ่ะเขาผู้เจ้าก็บอก ไปเอาบทสวดนั้นทําไมทําไมไม่เอาตามภาษาสดาใช่ไหมโยมอ่านคําศาสดาก็รู้สัจากความจริงอยู่แล้วไม่ต้องไปรอบทสวดของใครใช่ไหมแต่งไปแต่งมามีข้อผิดด้วยอย่างบทอย่างบทกวดน้ําอะไรเนี่ยแผ่เมตตาเนี่ยยังกวดน้ําพระเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติหรือบทแผ่เมตตาที่เขาไปแต่งกันเนี่ยแต่งไปแต่งมาก็ขัดเช่นว่าเคยได้ยินไหมที่ว่ามีขันขันเดียวมีขันสีขันมีขันหน้าขันอะไรเนี่ยขันขันเดียวมีไม่ได้เห็นนะแต่งเพลินขัดกับคําศาสดา ผู้เจ้าบัญญัติว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นั้นการรับรู้ขึ้นมาครั้งหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสองขันเสมอมีขันเดียวไม่ได้นะวันนี้เอ่อในหนังสือของพระอาจารย์พระอาจารย์ผู้ใหญ่ของบ้านเราทั้งสายเอ่อหลุงแม้แต่ uh huh. ต แม้แต่หลวงปู่ชาหลวงปู่เทพวกนี้ก็จะพูดถึงว่าในระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีมีนิมิตแล้วก็จะเขียนลงมาในหนังสือเป็นการบอกเล่าซึ่งซึ่งในความในความรู้สึกหรือว่าความเห็นคนทั่วไปก็ต้องเชื่อเพราะว่าท่านคงไม่พูเท็จอะฮะตอนนี้ไอ้ข้อเท็จจริงนั้นเออก็การที่ท่านมากล่าวอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีมีไงก็จะมันก็จะมีเรื่องของอภินิหารมีเรื่องของอย่างที่ก็พระเจ้าบอกแล้วไงอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านคําสาวกโยงเอามาตรวจสอบกับพุทธวจนะหรือยัง ใช่ไหมเพราะสาวกบัญญัติอะไรเองไม่ได้นี่คือปัญหาที่พระปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมักจะถูกสอนว่าต้องพูดเองนะต้องปรุงแต่งเองซึ่งหลักการนี้ผิดเลยจริงๆแล้วหลักการใน ค, คัรำกุศลการต้องก๊อปปี้คําพระาศาสดาพูดเองไม่ได้ใน ค, คัรำกุศลการใครพูดเองขึ้นมาเขาจะเอาไปถามพระเจ้าพระองค์เนี้ยพูดมาเนี่ยถูกหรือไม่พระภาษาเรียบุดยังถูกคัดง้างําคําก็ยังมีเลยนะขนาดภาษาเรียบุตดยังพลาดได้เนี่ย สาวกในปัจจุบันพลาดได้หมดนะโยมไม่มีใครบัญญัติอะไรได้พระสารีบุตรพูดหลุดจากปากมาบอกว่าพระที่ไปเข้ารพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยให้ศึกให้หมดเลยแล้วบทไปพระาศาสดาบอกว่าสารีบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของพิสุรานั้นเลยให้ปรับมาบัติทุลใจถ้าคำาํำภาษาบุตรเก่งจริงเป็นอากาลิโกไม่ขัดแย้งกับคําพระาศาสดาจะถูกพระเจ้าคัดง้างคําพูดได้อย่างไรใช่ไหมนี่เห็นนะ เรายกภาษาลิบุตรมาก็เพราะภาษาลิบุตรเป็นผู้เลิศทางบัญญาติผู้เจ้าชมเองว่าเก่งรองจับผู้เจ้าลงไปจึงเอาสาวกที่เก่งที่สุดลองจับผู้เจ้าให้ดูว่ายังมีการพูดออกมาจากปากแล้วผิดพลาดได้เลยเพราะฉะนั้นสาวกในปัจจุบันโยไม่ต้องยกเลยใครก็พลาดได้หมดนะอื ตัวนี้เป็นเป็นไหมคือพุทธวจนะเนี่ยเป็นนามประถามันเป็นแน่นอนถูกต้องแน่นอนแต่ uh huh. ในความเป็นจริงที่พระอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เล่า uh huh. เลือกมาแต่ละแต่ละ uh huh. แต่ละเล่นแต่ล เ, ลแตลเล่นที่ท่านที่อ่านมาหรือ uh huh. หมดมาก็เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่เขาได้ที่ท่านได้พบมาอฮาตัวนี้ในประสบการณ์จริงก็จริงแต่มันจริงจริงหรือเปล่าล่ะเพราะคนคิดว่าจริงอะอย่างเนี้ยให้คนสิบคนอธิบายเหยื่อน้ำใบนี้โยงคิดว่าอธิบายเหมือนกันหมดไหมไม่เหมือนบทพรนธะสิบคนเหมือนกันนะไม่มีทางเหมือนโยง ในเมื่อผู้เจ้าบัญญัติอะไรแล้วเนี่ยอย่าบัญญัติใหม่เพราะเราไม่เคยรู้ว่าคนที่บัญญัติอะไรได้ไม่มีข้อผิดพลาดและสมบูรณ์ที่สุดนั้นมีขึ้นมาแล้วในโลกนั่นคือโยมไม่เชื่อความสามารถของพระศาสดาของโยมเองจึงไปคิดว่าคําสาวกเนี่ยดีเท่าคําพระศาสดาซึ่งพระศาสดาก็บอกด้วยตนเองแล้วว่าไม่ใช่ใช่ไหมอ่านี่คือความรู้ที่เราไม่ทราบไงิ่งต้องมาให้ความรู้กันเนี่ย แล้วก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างทีนี้เปิดเป็นไหมนี่คือคือผมผมเข้าใจว่าโอเคพระพระอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ผ่านมาเพราะว่าปฏิบัติมาเยอะมากเพราะนั้นการปฏิบัติตรงนี้มันเป็นปัจจุตังค์เพราะฉะนั้นแน่นอนอนก็คือหมายความว่ามันอาจจะอาจจะอาจจะอาจจะอาจจะเป็นอาจจะไม่เที่ยงก็ได้แต่แต่ในความเป็นจริงในความเป็นจริงอาจจะมีจริงนะฮะก็มีข้อผิดไงโยมอาจจะมีข้อผิดจริงแต่หมายถึงว่ามีข้อผิดแล้วเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมไหมเสื่อมไงเปรียบเหมือนเนื้อไม้ใหม่ที่ทําเป็นริบตีเสริมเข้าไปในรอยแตก เวลาโยมอ้างพระผู้ใหญ่เนี่ยแล้วพระผู้ใหญ่สายไหนมีกี่สิบสายแล้วจะมีอีกสักนิกกี่นิกายโยมถึงจะจบลงได้โยมไม่เคยคิดอยากจะให้เกิดมีความสมานฉันในภิกษุสงฆ์บ้างเลยเหรอที่มันแตกกันอยู่ทุกวันนี้เป็นกี่นิกายเข้าไปแล้วใช่ไหมเออเออดูนาครับนะเออนะ ก็ขออนุโมทนากับทุกคนนะที่ได้มานะถวายทานแล้วก็ได้ฟังธรรมะที่เป็นพุทธวจนะนะก็ขอใหอ้พวกเราทุกคนจงได้นิสง์จากการสังสมสุตตะในคําของพระตถาคตให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมของพระตถาคตนะคิดหวังสิ่งใดให้สําเร็จสมความปรารถนาที่สุดคอยได้ดวงตาเห็นธรรมสําเร็จมรรคผลนิพพานในนาขาตการอันใกล้โดยเท่านาการทุกท่านทุกคนเตือน